ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องการปฏิบัติธรรมกับความสบายโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่ส0กรกฎาคมพุทธศักราช2526นณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ ถ้ตั้งใจทาอะไรอะไรก็ตามถ้าเราตั้งใจทาโดยความเข้าใจที่ละเอียดแยบคายแล้วเราก็ตั้งใจทำให้มันถูกตรงที่สุดเท่าที่เราจะพยายามได้ในสิ่งที่มันลึกซึ้งละเอียดละ อ, อ้นั้นๆเราจะเป็นคนที่ได้ผลสูง ยิ่งการปฏิบัติธรรมเรายิ่งต้องการลักษณะนั้นลักษณะที่ละเอียดแย บ, บคายเข้าไปถึงจิตปัญญาเข้าไปถึงความละเอียดละ อ, อ่่ต่างๆเราจะได้ประโยชน์มากทำไมฉะนั้นแล้วปฏิบัติธรรมได้แต่เรื่องด้านกายกรรมได้แต่ผิวเผินผิวนอกไม่ถึงขั้นมบรษลุธรรมง่ายเพราะการบรรลุธรรมนั้นไม่ได้เอาที่กายกรรมวิจีกรรมผิวเผินอยู่ข้างนอกเท่านั้น เพราะว่าตัวจิตเป็นเอกถ้าจิตไม่เปลี่ยนแปลงไปตามจริงมันจะไม่สมบูรณ์นะเราละลึกถึงพระสมานาธพุทธเจ้าเราะระลึกถึงให้ถูกดังเคยแนะนําทุกทีว่าพระสมานาธพุทธเจ้านั้นเราะระลึกอย่างขั้นตน้ตนๆคนที่ไม่รู้อะไรเลยก็นึนกว่าพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปก็ะระลึกถึงพระพุทธรูป อ่าคนแล้วไปแต่ว่ามันก็ขั้นปฐมขั้นอนุบาลเต็มทีเนี่ยเพราะว่านั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าน่ยมันอิดหินดินปูนจะเป็นทองคําหลอก็าตามอ่าหรือจะเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เป็นประวัติศาสตร์ว่ามีพระพุทธเจ้าคือเจ้าชายสิทธัตถะแต่เราก็ไม่รู้จักเราก็บอกเป็นคนคนหนึ่งอ่าที่มีมีชีวิตอย่างนั้นแล้วก็จะเข้าไปหาตัวจริงเพิ่มขึ้นก็พอกันเน่ยถาวาไปแล้วกันก็เป็น จินตาเป็นจินตเป็นการาระลึกเป็นการขนึงไปเฉยเฉยโดยมีวัตถุเป้าหมายเป็นที่เป็นที่ยึดอันหนึ่งเป็นวัตถุแท่งก้อนปั่นอีกอันนึงเป็นเรื่องนิ เ, เรื่องตำนานประวัติศาสตร์ทีนี้พระเจ้าท่านปรัดว่าให้ระลึกถึงท่านคําว่าพระพุทธเจ้าหรือต ถ, ถาคตนั้นท่านวอกเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรา ว่าเราจะระลึกถึงแม้เราจะไประลึกถึงเนื้อหนังท่านอยู่ใกล้ๆท่านเนื้อหนังท่านก็อยู่ตรงนี้เลยอ้นั้นไม่ใช่ความหมายพระพุทธเจ้าแล้วมัวนเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้คืออะไรเมื่อท่านบอกว่าเนื้อก็ไม่ใช่เราหนังก็ไม่ใช่เราในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ร่างกายท่านยังอยู่ด้วยซ้ําท่านจะบอกว่าตัวต น, อ น, น, อ น, อ น, นของท่านเนี่เนื้อหนังของท่านนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตถาคตไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไร ก็มีคําเฉลย อ, อีกท่านตรัสไว้เองแหะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าคือธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขาเนี่เป็นความลึกซึ้งเพราะฉะนัดด้นผู้ใดมีความตื่นจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าแค่พระพุทธรูปก็เอาก็ได้แค่นั้นใครจะระลึกถึงตามตำนานประวัติศาสตร์นก็เอาก็ได้แค่นั้นใครจะระลึกถึงคําสอน ระลึกถึงคำสอนที่จะปฏิบัติอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนี้เป็นศีลเป็นต้น อ, อย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้ก็ยังดีกว่าระลึกถึงเนื้อหนังหรือระลึกถึงรูปปั้นรูปนพรางใครระลึกถึงคำสอนเราเรียกว่าศีลานุสติใครระลึกถึงศีลหรือข้อประพฤติปฏิบัติของเรานั้นข้อประพฤติปฏิบัตินะไม่ใช่ตัวปฏิบัติหลักการวิธีการ หรือความหมายของข้อปฏิบัติปฏิบัติอย่างนี้ให้ละออกหรือให้ทําให้ยิ่งก็แล้วแต่นั่นจะเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ถูพระพุทธเจ้ามากกว่าเพราะเป็นธรรมะเป็นคําสอนเป็นคำห้ามทำอย่างนี้แต่ให้ทําอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือระลึกถึงพระธรรมมากกว่าเป็นคําสอนพระธรรมหรือแปลว่าคําสอนโดยตรงหรือคําสอนอื่นๆก็เช่นเดียวกัน ทีนี้สูงก่านั้นเราเริ่ถึงพระพุทธเจ้าได้ถึงขั้นได้ปฏิบัติทีนี้ปฏิบัติแล้วก็มีผลมันขัดมันเกลามันได้สละออกเห็นการสละออกเอออนี้เราได้แต่ก่อนเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เรามีกิเลสอย่างนั้นมันได้จางออกละออกนี้เห็นผลอย่างนั้นเราเริ่นถึงอันนั้นยิ่งเป็นธรรมะที่จริงเรียกว่าจารคานุสติระลึกถึงความสละออกได้ สละทั้งวัตถุสละทั้งเข่าของอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จิตใจเราสละตามยิ่งใจเราละกิเลสความหวงแหนโลก ล, ละความโกรธเมื่อเราโกรธแล้วก็ดับความโกรธได้ลดความโกรธได้เหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนั้นเราทําได้เราได้รู้ถึงเหตุการณ์เราได้รู้ถึงครั้งคราวเราระลึกถึงิ่งที่สละได้อย่างนั้นเราเรียกว่าจาขานุสติก็ยิ่งเป็นธรรมะหรือระลึกถึงพระพุทธเจ้าถูกตัวมากขึ้น เรียกถึงจิตวิญญาณที่เราได้ละได้แล้วมันเสวยสภาพที่ละได้แล้วสบายปล่อดโปร่งหรือเป็นจิตที่ดีเราเรียกว่าเทวดาจิตวิญญาณที่ดีจิตวิญญาณที่ได้ละล้างกิเลสออกนั่นะเป็นจิตเทวดาเป็นอุบัติเทพยิ่งละล้างออกบริสุปปทธิ์ผุดผ่องก็เป็นวิสุทธิเทพเลยยิ่งดีใหญ่ยิ่งสมบูรณ์ใหญ่เป็นเทวดาชั้นวิสุทธิเทพวิสุทธิเทวดา ยิ่งสูงสุดวันจิตอะไรที่เราได้ละกิเลสอะไรใดออกจนกระทั่งได้เซวยมากความว่าจิตได้ละจริงๆแล้วก็เห็นอารมณ์มีอารมณ์อย่างนั้นสัมผัสอารมณ์อย่างนั้นเลยนั่นยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่หมายถึ่ไม่ใช่ตัวตนบนคนเราเขาไม่ใช่ของใครของใครเป็นสิทธิของแต่ละผู้ที่จะปฏิบัติถึงพุทธหรือพุทธคุณพจนพุทธถึงไม่ใช่ตัวตนของใครใครๆก็เป็นพุทธได้ เราเรารึกถึงพุทธะระรึกถึงอย่างนี้อย่างนี้ไม่สงวนลิขษษิตพุทธะไม่สงวนลิขิตแต่แน่ละโดยประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้าได้พบก่อนรู้ก่อนนํามาเผยแผ่ให้ผู้อื่นรู้ตามปฏิบัติได้ตามเป็นเหมือนกันกับท่านเป็นม่นจะตรงกันเมื่อความว่างความปลอดความสะอาดจากกิเลสแล้วได้อย่างไรเป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนอันนี้เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าดังกล่าวนะ คใครจะระลึกได้ตื่นลึกหนาบางอย่างไรก็ตั้งใจดีๆแล้วก็กระทำเอาตั้งที่กล่าวแล้วอย่างน้อยที่สุดก็ควรจะเป็นถ้าได้พระพุทธรูปมก็เป็นสมถะถ้าได้ตำนานพระพุทธเจ้าก็เป็นสมถะถ้าได้ศีลก็จะเกิดปัญญาขึ้นบ้างระลึกถึงข้อความความหมายศีลหรือระลึกถึงสิ่งที่เราละได้ก็จะเห็นพึงภาคปฏิบัติ ถ้าระลึกถึงจิตวิญญาณที่สะอาดแล้วก็ยิ่งเห็นผลของการปฏิบัติเลยทีเดียวนะเพราะงั้นง่ายๆสรุปว่าถ้าสีลานุสติก็คือปริยัตินะจากคานุสติก็คือปฏิบัตินะถ้าเทวตานุสติก็คือปฏิเวนะระลึกได้อย่างนั้นทีเดียวนะตั้งใจผู้ใดทำได้แค่ใดก็ระลึกเอานะโมกัตสั พระเขววตโตอรหัโตสมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะพระเขววโตอรหัโตสมมาสัมพุทธสัพนะโมตัสสะพระเขววโตอรหัโตสมมาสัมพุทธสัพใะเจริญธรรม ญาติโยมที่ไปทํารมถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็มาพบหน้ากันซึ่งความจริงแล้วเนี่ยอาตมาเองอาตมาอยากพบหน้าพวกเราเนี่ทุกๆคนทุกๆวันทุกๆเวลาก็เห็นหน้ากันเบิกบานร่าเริงปฏิบัติธรรมอบอุน่นมีการเจริญก้าวหน้าทางธรรม อาการเจริญก้าวหน้าทางธรรมนั้นคือการได้ขัดเกลากิเลสอยู่เสมอเสมออาตมาพยายามจะเน้นจุดนี้ให้มากขึ้นเพื่อความเข้าใจถูกต้องเราได้เข้าใจผิดกันมานานว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมนั้นเราจะต้องเป็นคนสบายสบาย ผู้ที่เข้าใจลักไปมันเป็นความเข้าใจที่เพี้ยนลักเป็นนิดเดียวเท่านั้นเองนะในความหมายและเราก็เข้าใจความหมายในเพี้ยนแต่แท้จริงแล้วโดยภาคปฏิบัติโดยอายุการแห่งมนุษย์ที่จะพัฒนาแล้วมันยาวนานและมันมากแต่ความเข้าใจลักเนี่ยเข้าใจเพี้ยนลักเพี้ยไปนิดเดียวว่าการปฏิบัติธรรมนี่ต้องเป็นการทาให้สบาย นั่นเป็นการอธิบายผิดแล้วการปฏิบัติธรรมนั้นเราปฏิบัติเพื่อไปสู่ความสบายเราควรพูดอย่างนี้กันแต่คนที่มันใจร้อนมันก็บอกว่าปฏิบัติธรรมต้องไปเพื่อสบายแล้วเราก็จะมาทำตัวสบายๆตามใจกูถ้าใครปฏิบัติธรรมตามใจกูแล้วก็กูไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมแล้ว ทันทีเลยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ต้องต่อสู้ต้องไม่สบายผู้สบายพระอาหารหันต์ผู้สบายคือผู้หลุดพ้นเราจะไปสู่ความหลุดพ้นเราจะไปสู่ความสบายนั่นถูกแต่มันใจเร็วใจร้อนเพราะฉะนั้นทุกคนมาปฏิบัติธรรมแล้วพอมาลองรองลอ ง, ลอ ง, ล, องลองแล้วไม่สบายนี่วะไม่เอาแล้วก็ไปสบายคําว่าสบายในกิเลสนะ ที่ไม่ใช่พระอาหารหันต์มีข้อแม้นิดหนึ่งคำว่าสบายี่ยกิเลสท่าผู้นั้นยังไม่ใช่พระอาหารหันต์กิเลสทุกคนบอกให้ได้ผู้ใดยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ยังไม่ตัดสรูแล้วมิถือว่าตัวเอ ง, ต, องต้องอยู่ตามสบายสบายบายแล้วกิเลสทุกคนกิเลสทุกคนนอกจากผู้นั้น สบายใจเพราะหลุดพ้นจริงๆเลยจะอยู่ต่อสภาวะอย่างไรอย่างไรอย่างไรก็วางใจได้สบายจริงๆนั่นนะก็จริงๆมันจะบอกคือผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วท่านอยู่เหนือโลกลัทธิพุทธนะท่านอยู่ต่อหน้านรกต่อความร้อนต่อกิเลสต่อคนร้ายต่อไดๆท่านก็สบาย ถ้าเราไปอยู่ที่ที่คนเขาก็รู้ว่าที่ที่ตรงนี้เนี่ยมันไม่สบายพระอรหันต์ท่านก็ยังจะสบายสบายกว่าคนที่มีกิเลสแน่นอนเช่นว่าไปอยู่ในที่ที่มันโฉแฉะมีเชื้อโรคพระอรหันต์ท่านอยู่ท่านก็รู้ว่ามันก็ไม่ค่อยสบายนักหรอกมันก็โฉแฉะมีเชื้อโรคมีอะไรท่านก็รู้แต่ท่านก็ยังจะวางใจได้กว่า คนธรรมดาโลกโลกแน่นอนนอกจากคนธรรมดาโลกโลกที่หลงผิดเออเราอยู่กับที่แฉะที่เชื้อโลกแย่ๆอย่างนี้ชอบใจอ๋อไอ้อย่างนี้มันคนวิปลาสแล้วไ อ, อ้ผู้แปททำไมมีแหละมันคนบ้ามันคนไม่ปกตินั่นะมันก็นอกเรื่องนะแต่คนธรรมดาสามันเหมือนกันหมดอันทีนี้ก็จะเน้นตรงที่ว่าต้องอยู่อย่างไม่สบาย ในฐานะผู้ยังเป็นเสษขับุคคลหรือผู้ที่เป็นปุถุชนหรือผู้ที่ยังอยู่ในภาคปฏิบัติอยู่ในองค์มรรคอยู่ในภาคมรรคเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งนี้ยืนยันตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่จะปฏิบัติตนไปสู่ความเป็นเทวดาหรือความที่จะละลดกิเลสลงไปจากจิตได้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติอย่างตั้งตนอยู่ในความลําบาก เเคยเอามาอธิบายเอาเคยมาพูดมาย้ำเสมอว่าต้องตั้งตนอยู่ในทุกขายะอัตตางประทัศาติต้องทำตนให้ตั้งตนอยู่ในความลำบากลำบากอันนี้คือมีกิเลสเราก็มีข้อขัดกิเลสมีเหตุมีสีลมีเหตุปัจจัยมีการสัมผัสสัมพันธ์มีสิ่งที่มันจะทำให้กิเลสเราเบาบางลงต้องขัดถูอยู่อย่างนั้นแหละมีสัลเลขธรรม ถ้าผู้ใดทําตนให้อยู่ตามสบายภาษาบาลีท่านก็ว่าไว้ว่ายะถาสุขขังโคเมวิหรโตถ้าตั้งตนอยู่ตามสบายอากุศลธรรมเจริญหมายความว่าความเสื่อมมันเจริญความไม่ดีเจริญฟังให้ดีนะมันคานแยงกันในเจริญนี่มันอะไรเจริญฟังให้ดี ความเลวเจริญความเสื่อมเจริญความไม่ดีเจริญถ้าตั้งตนอยู่ตามสบายสบายยถาสุขขังปล่อยตัวตามสบายสบายตามที่จิตเรามีกิเลส น, นั่นเองมันเลือกมันชอบและมันก็จะหาให้แก่ตัวเองทุกคนรู้ดีไม่ต้องพูดเลยนั่งอยู่เนี่ยทุกคนรู้ดีฟังความรู้เรื่องแล้วก็รู้กันทุกคนนะเพราะฉะนั้นการที่ตั้งตนไว้เสมอเลยว่าเราจะต้องฝืนการปฏิบัติธรรมต้องมีสัจจะมีธรรมะ มีจาคะมีขันติมีการเอาจริงๆ ร, รู้ความจริงแล้วเราก็มีศีลศีลนี้จะขัดเรากิลีลดเรากิเลดอย่างนี้เราใช้ศีลนี้เงีเหมาะกับเราถูกต้องเป็นสัจจะแล้วเราก็ปฏิบัติโดยมีธรรมะมีการฝืนใจมีการฝืนมีการข่มใจมีการฝืนใจมันต้องฝืนต้องข่มแน่แน เพราะว่ากิเลสของเรายังมีที่จิตมันไม่ตามใจหรอกแต่เรารู้ด้วยเหตุผลรู้ด้วยปัญญาแล้วฟังธรรมมีเหตุมีผลมีเรื่องมีราวอะไรด้วยปัญญาเราตัดสินแล้วว่าเออใช่ถูกกิเลสเราก็มีจริงและหลักการนี้เราจะต้องเอามาปฏิบัติประพฤติกระเราเราต้องทําจริงๆมีธรรมะในการฝืนใจข่มใจแน่นอนแล้วก็ให้มันมีจากกะให้มันมีการละออกสละออกละออกสละออก ให้กิเลสะออเ ล, ละออกให้จิกิเลสละออกละออกมันละไปละไปเวลามันมีความอดกลั้ น, นมันมีขันติพอสมควรมันก็ทนละออกละออกได้พอเวลานานๆเกามันต้องใช้เรี่ใช้แรงนะใช้อุสาหังวิริยะนะพอนานๆมันก็จะจะลาลาล า, ลาก็จะจะขันติอ่อนลงอ่อนล ง, ลงนเรากำลังใช้ภาษาว่าขันติก็คือความสู้ความอดทนตั้งหน้าตั้งตาไม่ถอยทำปฏิบัติประพฤต ถ้าเพราะว่ามันอ่อนลงอ่อนลงก็เรียกว่าเลือดคันติชักจางลงจางลงชักจะสู้น้อยลงชักจะอดทนน้อยลงชักจะถอยถอยถอยถอยอาตมาจึงบางทีนี้เห็นผู้ที่มาปฏิบัติธรรมกับพวกเราแล้วเพราะว่าเราเอาจริงเรามีหลักเกณฑ์ขัดเกล้าประพฤติปฏิบัติสู้ทีนี้พอสู้ไปสู้ไปก็ชักไม่ค่อยเห็นหน้าชักจะห่า ง, ห, างหน้าห่างตา เคยใกล้ชิดเคยเห็นบ่อยขมีขมันเอชักลาลาห่างห่างเหินเหินนานๆพบทีเออไปอยงไหนนาะอะไรเขาเอาไปเออถ้าอะไรเอาไปดีก็คงจะดีอ่ะได้มีคนเป็นบัณฑิตพาไปช่วยดูแลฟูมฟักก็ดีอ่ะคนอื่นก็ตามเขาก็มีบัณฑิตมีผู้ที่ช่วยเหลือเฟือไฟได้ ไอ้ไม่ใช่บัณฑิตเอาไปนี่สิอะไรเนอเอาไปพนะาไปลักพาไปเสียก็ยังระลึกอยู่นะแต่อัตมาก็ระลึกมากไม่ได้เราไม่มีเวลาแต่ก็ยะงระลึกดังที่เกิต้นแล้วว่าอัตมาอยากจะพบหน้าทุกๆคนที่มาแล้วก็รู้จักกันแม้อัตมาจะจำชื่อไม่ได้ในที่นี้อัตมาจำชื่อไม่ได้ท่า่รหรอก แต่หน้าตาก็พอได้สัมผัสพอรู้ก็เออพอจำได้อ่าพอจำได้จำหน้าตาได้อาตมาเคยเป็นครูอาตมานี่เป็นครูที่แย่ที่สุดจำชื่อนักเรียนไม่เคยได้แต่จำหน้าได้หมดเลยคนไหนมีบุ ค, คลิกยังไงคนไหนมีความเร็วความดีขนาดไหนจำได้ทั้งนั้นนะ่ะแต่จำชื่อไม่เคยได้จำชื่อไม่เคยแม่น จะแม่นในตัวเซียนจริงๆหรือตัวเด่นจริงๆอะไรนี้ก็จำแม่นหรือตัวที่ใกล้ชิดแต่ตัวที่ได้มีอะไรสัมัสสัมพันธ์มีงานการเกี่ยวเกีเ่ยวข้องกันมากน่อยก็จำแม่นแต่ถ้าเผื่อว่าโดยกลางๆทั่วๆไปและจำชื่อนักเรียนไม่ค่อยแม่เนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเสมอมาแม่เดี๋ยวนี้ก็เพื่อนเก่าๆแก่ๆไม่ต้องพูดอะไรมากชื่อแฟนนามสกุลแฟนกันอาตมาอย่างลือระมุทีนึงเออเหมือนอะไรเว้ยชื่อแฟนนะ ไม่ใช่วันเดียวปีเดียวนะเป็นแฟนกันเนี่ยมันลืมจริงๆนึกไม่ออกแ้คิดตั้งนานี่นับสกุลอะไรนับสกุลแฟนนี้นึกตั้งนานชื่อก็ลืมคือบางทีมันเรียกแต่ชื่อเล่นชื่อเล่นมันชินมันมันมันใกล้จำชื่อเล่นชื่อจริงแฟนเราชื่อจริงอะไรเว้นึกไม่ออกนี่เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่อัตมาพูดเล่นเรื่องจริง มันขี้แก่ในเรื่องนี้ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นใครอย่าถือสานะอาตมาจําชื่อไม่ได้นะเดี๋ไปถือสาอาตมาในเรื่องนี้แต่เรื่องว่าจําได้คนนี้มีบุคลิกอย่างนี้คนนี้มีอย่างงี้อย่าไปทําเป็นล่อๆลวงๆอาตมานะอาตมาจําได้อยู่นะจําได้อยู่อย่างนั้นนะอย่าอย่ามาล่อๆหลอกๆทําเป็นเล่นๆเล่ห์ๆอาตมาแต่ว่าไอ้ชื่อนี่อาตมาว่ามันชื่อนั้นสําคัญชะไหนไม่ค่อยเท่าไร่หรอก แต่ว่าเรื่องตัวจริงสภาวธรทมอย่างนี้คนนี้มีสภาวะอย่างนี้อ่า อ, อันนี้จำได้อันนี้จำได้ไม่ต้องกลัวอันนี้อัอตมาจับที่เนื้อหาอันนั้นนั่นก็ขอบอกด้วยใจจริงด้วยไม่ใช่พูดเกล่นเมื่อกี้นี้ว่าอยากจะพบหน้ากันทุกวันอยากจะเห็นหน้ากันทุกทุกวันบ่อยๆในระดับใดปฏิบัติธรรมร่วมกันคนไหนปฏิบัติได้ก็คลี่คลาย คนไหนปฏิบัติยังไม่ได้มันก็ยังเข้มเข้มแข็งแอยู่อาตมาก็เข้าใจไม่ใช่ว่าจะต้องดูหน้าตาเบิกบานกันไป่ใช่หมดแต่ก็หาวิธีบอกและคลายใจยังไงวิธีการในเงินงจะทํายังไงยังไงกับบอกเมันมันจะหน้าตาแข็งแงเข้มเข้มอยู่ก็ไม่มีปัญหาคลายได้สบายได้ก็ดีแต่ก็เมื่อคลายได้แล้วอาตมาก็หาเรื่องให้เข้มแข็งขึ้นอีกแข็งขึ้นอีกเพราะเราจะต้องปฏิบัติให้ได้มากที่สุด ไม่ใช่บอกว่าได้หน้าตาเบิกบานนั่นก็เลยเบิกบานก็เลยแช่สบายสบายสบายทั้งทั้งที่กิเลสก็อยากอีตั้งเคราะห์เออสบายสบายก็ติดแป้นถึงอาตมาเตือนเตือนอย่าเป็นลิงติดแป้นน้อยได้แป้นชั้นนี้ขึ้นแป้นชั้นสูงขึ้นไปอีกอย่าเป็นเทวดาติดศารเจ้าติดสารได้สาลเตี้ยสารเล็กๆแล้วก็จะหลงสารนั้นจริงคุณก็ได้ชั้นตอนได้ฐานะขึ้นแต่อย่าเป็นเจ้าติดศาร เสียพระพุทธเจ้าจะสอนเราไว้ในทิฏฐิสูตรนะแม้คุณจะตั้งมั่นแข็งแรงแล้วต้องรู้ว่านี่เราแข็งแรงแล้วนะเราตั้งมั่นแล้วนาเป็นทิฏฐิเราปฏิบัติทำได้เนี่ละล้างกิเลสอันนี้นี่ได้แน่นอนแล้วทิฏฐิมั่นคงดีแล้วอย่าติดอยู่ที่ทิฏฐิท่านไปสรรเสริญคนที่อยู่ทิฏฐิถ้าสรรเสริญคนวุฒิวุฒิวุฒิแปล ว, ว่าเจริญขึ้นเจริญสึ่งขึ้นหาทางที่จะปฏิบัติให้แก่ตนเองให้เจริญขึ้นอีกให้เลื่อนชั้นขึ้นอีก เมื่อแน่ใจไว้นี่ถึงขั้นทิฏฐิแล้วเราแปลเอาความจะบอกว่าไม่ให้หยุดอยูนะ่ที่จริงโดยธรรมะที่สูงแล้วก็คือปฏิบัติให้ถึงขั้นทิฏฐิธรรมเป็นธรรมะที่ขั้นที่ตั้งมัน่นแน่นอนมั่นคงแล้วถ้ามันยังไม่แน่นอนมั่นคงแน่นอนเราต้องเกาะเกาะชั้นนั้นฐานนั้นแหละทิฏฐิ น, นี่นแหละฐา น, น, นหะหรือทีหรือถะตัวทศนิานเนี่ยให้มันได้แน่นอนจนแข็งแรงมั่นคงเป็นของที่ มั่นใจนะมั่นใจมั่นคงดีแล้วแล้วก็เพิ่มแต่ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเอาแข็งแรงอันเดียดนี่โดเดโดเดออันอื่นไม่เอาเลยอย่างนี้มันก็น้อยมันก็ต้องมีประสานได้อันอื่นด้วยประกอบกันถ้านี้ว่าเออชักจะพอแล้วถ้าจะแข็งแรงพอได้แล้วแล้วก็เอาอื่นมาประสานแต่เราก็ยังต้องตรวจสอบไอ้ที่เป็นทิติอยู่ต่อไปด้วยนะค่อยๆประกอบเสริมหนุนขึ้นมา ไม่ใช่ว่าตัดตอนพ่วงพ่วเฉยๆถ้าตัดตอนพ่วงพ่วน่ยมันก็มันมันมันไม่เร็วนะเรามีแรงพอที่จะปฏิบัติเสริมสารสอดร้อยประสานกันขึ้นมานมันพุ่งพูดใดปฏิบัติธรรมเข้าใจผิดพลาดดังที่อาตมากเกริ่นแต่ต้นว่าปฏิบัติธรรมคือจะต้องปล่อยตัวอยู่ตามสบายๆหรือหาที่สบายๆอยู่นั่นผิดละ ใครเข้ามาในที่นี้สถานที่นี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาสงบเย็นออสบายดีแต่ถ้าผู้ใดที่ยังมีกิเลสอยอู่ยังวุ่นวายยังห่วงห า, าวาในไอเรื่องโลกเรื่องอะไรอยู่ถึงแม้จะเย็นก็พักผ่อนประเดี๋ก็ต้องวิ่งแจนกลับไปกลับไปคลุกคลีวุ่นวายอยู่กับไอเรื่องโลกโลไอที่ตัวเองก็รู้ว่ามันทุกข์มันยุ่งแต่ต้องทำนึกว่าเป็นความจําเป็นเป็นสาระสำคของชีวิตก็จะเข้าไปคลุกคลีวุ่นวายอยู่กันนั่นยังเกา่า เสรแล้วไปคุกคีวุ่นวายอยู่นั่นจนก็ทั่งตีดอยู่งั้นนะ่ะจ ะ, ะระลึกถึงบอกว่าแหมที่นี่อย่างน้อยที่สุดมาสัมผัสเข้ามาที่นี่ร่มเย็นนะสบายไม่ะระลึกถึงแล้วถูกไ อ, ไอความวุ่นวายเหล่านะั้นมันถีบเปี๊ยงอีกสักเปี๊ยงเลยค่อยค่อยนึกถึงที่นี่อีกใหม่ทีโอ้ทุกข์เหลือเกินท่านเออแหมที่นี่สบายยังอีกทีงสบายสบายแต่ก็ยังไม่ก็จะรู้สึกตัวเท่าไรหร่หรอกนะ ที่นี่ทำไมสบายเพราะว่าที่นี่นั้นเป็นบรรยากาศนอกเนี่ยมันก็ร่มเย็นมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเป็นของมนุษย์ที่มีความพอดีมีความพอในเรื่องบรรยากาศอากาศธรรมชาติร่มเย็นด้วยธรรมชาติไม่ใช่ร่มเย็นด้วยแอร์คอนดิชันร่มเย็นด้วยของปรุงแต่งไม่ใช่ที่นี่ร่มเย็นด้วยอากาศธรรมชาติ ในสถานที่ที่มันมีอะไรตไรไม่มีเครื่องสร้างมากมายไอ้ที่เห็นเราในอย่างเก่งที่นี่ก็มีแต่นี่แหละพื้นที่ที่เราจะทําให้เรียบร้อยเพื่อที่จะใช้กันได้พอสมควรมีความกว้างขวางก็ปรับปรุงกันมาตกแต่งดัดแปลงกันมาเรื่อยๆมันไม่ได้สร้างมันก็คนมีสตังค์ออกแบบเอาเลยน่ให้แหมเป็นโรงโถงเป็นอะไรตไรเลยที่นี่ก็เป็นโรงเรือนที่มันมีเสาเยอะหน่อย บังละเกะระกาหน่อยก็หลบหเล่งเลเอาเราไม่ใช่คนโง่จนเกินการอยากจะฟังธทำอาตมาเห็นหน้าอาตมาออกลีลาบ้างจะได้ทั้งตาก็รับผัสสะทั้งหูก็ได้ยินจะได้เกิดทักษะได้รับเข้าทุกทวารแต่ใครบอกว่าไม่ต้องเห็นหน้าก็ได้ฟังบังเสาก็ได้ก็เชิญไม่ว่าอะไรก็เลือกเลยเลือกมุมเสาที่ไหนบังดีๆจะได้ไปที่ตรงนั้นมันจะได้ไม่ไปต้องขวางกับคนอื่นคนอื่นเขาไม่อยากบังเสาเขาจะได้ไม่ไม่แย่งกัน กัดลังเนื้อชอบลังยานี่นะบางคนอาจจ ะ, ะบางเสาก็ได้ไม่ต้องดูหน้าเพราะบางทีไม่อยากให้ท่านเห็นหน้าเหมือนกันเพราะาเราเองนั้นห ล, ลบหน่อยอะไรงี้ก็ได้มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีเนี่ยมันก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคลเลือกเอาเนี่ันพุทที่ได้มาประพฤติปฏิบัติรวมๆกันอยู่แล้วเนี่ยมีหลายจริตหลายอย่างหลายอันเนี่ยเข้ามาแล้วก็มาฟังอัตมาบอก พอบอกแล้วเสร็จคุณก็เอาปฏิบัติเข้ามาในสถานที่นี้ไม่เท่านี้ยังจะต้องรับฟังเหตุผลและจะต้องรบฟังข้อมูลของศีลของกรรมฐานอย่างน้อยที่นี่ก็มีกฎระเบียบเข้ามาที่นี่เขาไม่เข้ามาเป็นอย่างโลกโลกกันนะใครสูบบุหรี่เข้ามาก็เฮ้ยที่นี่เขาไม่สูบบุหรี่กันเว้ยต้องสอนสอนบางๆและเออยู่ที่นี่นานก็ไม่ได้แล้วต้องออกไปข้างนอกหรือไม่ก็ไปสูบในห้องส้วม ไม่เราก็ไปคอยเห็นเออนี่นะในกากบุหรีนี่คนอย่างเงี้ยนะมันติดรู้ ก, ก็รู้ทั้งรู้ ก, กัละอายต้องมาทําในที่ลับอ่ามันสูบไนซ่วมดูดเข้าไปกินอึก็เข้าไปด้วยกินบุรีก็เข้าไปด้วยดูเออได้ทั้งกินอึกินบุรี เ, เข้าไปก็มันทํำยังไงได้มันติดนี่นะอ่าก็ต้องเอาคนต้องทําอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างประกอบอธิบายให้เย็นเยอนิดหน่อยเพื่อที่จะเข้าง่ายขึ้น สำหรับผู้ที่เข้าใจแล้วก็ไม่มีอะไรมากนะเราจะล้างละสิ่งที่มันติดมันยึดตั้งแต่ฐานต่ำมีหลักมีเกณฑ์มีก ฎ, ม, กฎมีระเบียบมีวินยัยมีแบบแผนก็รวมแล้วก็เรียกว่าศีลศีลศีล น, นี่คือศิลาอาตมามาจากรากสรรพศิลาแปลว่าหินแท่งหินแท่งหนักอาตมาแปลงนี้ท่านผู้เรียนบารีมากหาอาตมา แปลเอาตามอัตโนมัติเขาแปลศีนี้ว่าข้อปฏิบัติน่าก็ทุกอัตมาก็ไม่ว่าอะไรนี่อัตมาไม่ได้ค้านแย้งอะไรที่เขาแปลถูกอยู่แล้วแต่อัตมาจะขยายนี่อัตมาแปลผิดตรงไหนเนี่ยสหรือศิลาเนี่ยมันแปลว่าหินเนี่ยมันก็แปลว่าหินเถียงอัตมาก็ไม่ได้นะถ้าหาว่าอัตมาพูดเอาเองไม่เองนี่ยเาก็พูดมาเก่าและอัตมาก็ขยายความหมายว่ามันมีรากศัพท์มาเดิมด้วยซ้ําที่ท่านเอาคําว่าศีนี่มาตั้งชื่อนี่ก็คือหลักอัดนั้นจะต้องให้เป็นหลักหินหลัก ที่หนักแน่นไม่ใช่หลักปักขี้ควายพอตั้งหลักนี้ขึ้นมาแมลมน้อยพัดเท่านั้นก็เอ็นเสแล้วแล้วใครเอาน้ําลายเอาลมปากเป่าลมเสแล้วไอ้หลักพันนี้มันจะใช้ได้ที่ไหนมันต้องหลักหินแน่แน่นหนักแน่นมั่นคงตั้งหลักนี้ขึ้นมาแล้วต้องเอาจริงให้มีหลักที่แข็งแรงปฏิบัติตามนี้ความหมายว่าอย่างนี้ ก็น่าจะฟังเหตุผลอาตมาบ้างถ้าใครฟังเหตุผลนั้ไม่ติดยึดในของคนนั้นคนนี้มากนะมันไม่ได้คานแย่งกับของคนอื่นหรอกไม่คานแย่งแต่ขยายเพิ่มให้เหตุผลเพิ่มแต่นีนี้เขาไม่เชื่ออาตมาเพราะอาตมาไม่ได้ไปเรียนประเรียนไม่ได้ไปเรียนอะไรอะไรตามเขาเขาก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็หาว่าพู้เราอัตโนมัติเพราะเขาไม่เคยได้ยินไม่ได้ยินที่เพราะว่าเขาไม่มีใครอธิบายแต่อาตมาอธิบาย อาตมาอธิบายเนี่ยอาตมาก็ไม่ใช่ว่าอาตมาอธิบายโดยไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มียานรู้อาตมามีญานรู้อะไรตั้งทั้งมากตั้งม้เนี่ยมันการประพฤติธปฏิบัติจึงอาศัยหลักศีลนี่เป็นหลักเลยจริงๆนี่เป็นศาสนาพุทธศาสนาพุทธต้องมีหลักมีศีลเป็นหลักแล้วปฏิบัติตามหลักขัดเกลาจิเลตกิเลตมันออกจากจิตเราเรียกว่าสมาธิฟังง่ายๆในภาษา กิเลสลดจางออกจากจิตแล้วเรียกว่าสมาธิถ้ามันเป็นสมาธิที่สมบูรณ์มันก็เป็นกิเลสที่ออกมากมากมา ก, ากจนเลยเขตที่มันความมีลดลงไปเป็นไม่มีไม่มีไม่มีหรือมีก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีเลยก็เป็นการเป็นสมาธิและแม้มันได้อย่างนั้นมันก็ได้เป็นการกระทําชั่วคราวชั่วคราวไปจ น, นจนมันทําบ่อยจนมันตั้งตั้งมันจนมันแข็งแรง จนมันไม่มีกิเลสอย่างทิฏฐิทั้งที่ตากกล่าวไปแล้วทิฏฐิมันก็เป็นสมาธิแล้วสมาธินี้ต้องมีปัญญารู้ในสมาธิมีปัญญารู้ในผลที่เราปฏิบัติเห็นด้วยตนเองเป็นปัจจัตังไม่ใช่คนอื่นบอกว่าโอ้ยคุณได้ฌานสาแล้วคุณได้ฌานสองแล้วคุณได้ญาณหนึ่งญาณสองเอ๊ไปบอกญาณกันได้ญาณหมายความว่าปัญญาคือธาตรู้ และถ้ารู้ให้คนอื่นบอกเราเอ้นี่มั น, ม, นมันไม่ใช่เรารู้เนี่ยนะเขาบอกคณะเขาบอกแล้วยังไม่รู้เขาว่าดิฉันได้ญาณแปดเป็นยังไงยังไม่รู้เลยมันจะไปได้ญาณยังไงเนี่ยเาเอาภาษาเขามาจิ้มพรวดเขาให้เราบอกว่าเราได้ญาณญาณไม่แปลว่าทารู้หรือปัญญาเรายังไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันจะไปเป็นเดาได้ได้ยังไงเนี่มันหลอกกันลวงกันอย่างเนี้มันหลอกจริงๆเลยนะ อาตอมาพูดอย่างนี้แล้วเจ้าสำนักหรือว่าสำนักที่เขาบอกว่าจะต้องมาสอบยานแล้วเขไม่เป็นคนนั้นคนนี้สอบพระพุทธเจ้าเคยสอนที่ไหนมีแต่ปัจจตังเวทิตโพวิญยูหให้คนอื่นรู้แทนเหรอมีได้รู้ด้วยต้นต้นรู้ต้นจะเป็นบัณฑิตจนจะเกิดเวทะเกิดความรู้ก็ตนวินยูวิญญาณธาตุรู้ของเราเองเป็นตัวรู้มารู้อะไรรู้ว่าศีลนี้มีผล ปฏิบัติแล้วขัดเกลวการขัดเกลวต้องฝืนต้องทนต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากแน่นอนเพราะฉะนั้นการปฏิบัติทำนั้นเราจะมาเอาสบายเกินไม่ได้มาเอาสบายก่อนไม่ได้ทีนี้เมื่อคุณพิสูจน์แล้วว่าเมื่อคุณได้ขัดเกลวกิเลสนั้นออกไปออกไปออกไปเมื่อมันหมดลงมันจางลงมันก็ง่ายขึ้นสบายขึ้นสบายขึ้น จนมันหมดเกลี้ยงแล้วคุณจะตึงนี่เรียกเลยว่าเออกิเลสในเรื่องนี้ถ้าคุณจะไปเอากิเลสพวดเดียวให้หมดพวดเดียวมันไม่มีไม่มีทําไม่ได้ครับอย่าหวังซะเลยอาตมากล้าพูดอย่างนี้ด้วยจะไปทําพวดเดียวให้กิเลสมันบเลาะไปทีเดียวพวดไม่ได้ศาสนาพระเจ้าจึงได้ให้เก็บมาค่อยๆทามาเบื้องต้นทางกลางมันปลายมีเหตุมีปัจจัยจับเหตุจับปัจจัยตามฐานะของเรา หลายคนได้ปฏิบัติทำมาแล้วไม่ใช่ชั่วชาตินี้หลายๆชาติมาบำเพ็ญมามีภลวัตปัจจัยทำมาเพราะฉะนั้นเมื่อพอมาในโลกเราไม่รู้เราก็ไม่โลกมันก็พาหล่อไปเป็นโลกโลกพอมาฟังทำอ๋องี้เหรอแล้วเรารู้สึกว่าเราเลิกตามที่ว่านี้นะง่ายในของคุณ เ, เองนะของคุณเดิมนะเดิมเดิมของคุณนะ่ะบางคนก็บอกว่าโอ้โหทาไมมันยากจังเลยอีกคนบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่เห็นยากเลย ไม่เห็นยากเลยเรื่องนี้ไม่เห็นมันยากอะไรเลยเอกฎชายของคุณแต่ขคนอื่นเขายากเห็นใจเขาบ้างแต่บางอย่างคุณอะยากแต่เขาก็บอก ee, ไม่เห็นยากเลยอ่านี้ทะเลาะกันเลยทันทีถ้า <c oughs> มันเรื่องธรรมดา <c oughs> เหตุปัจจัยของแต่ละปัจจัยไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ตรงกรันหรอกแต่ละคนแต่ละอย่างมันคนละอันคนละอย่างเพราะอันใดที่เราได้ฟรีพอเขาบอก ป, ปั๊บตัดปุ๊บบันนีก็ได้เดี๋ยวนี้แล้วเราก็ไม่เคยบกเวียนอีกเลยไม่เคยสงสยัย ไม่เคยหวยหาอาวรเพราะเรามาหลงโลกมันมอมเมาเราด้วยโวหารด้วยคารมด้วยสมุติสัจจะโลกโลกแต่ของเดิมเราจิตมันเคยวิมุตต์แล้วนี่ไม่มีปัญหาเลยง่ายมันอาจจะหลงหลงไปตามเขาเล็กๆน้อยๆก็ดูเหมือนมันเป็นอร่อยดูเหมือนมันเป็นในโน่นนี่ไปแต่เสร็จแล้วมาล้างออกจริงๆพอมาวางมาปล่อยแล้วมีอินทรีย์พระมีของเดิมแล้วง่ายแต่อันใดที่ยังไม่ได้แม้จะล้างแล้วเสร็จประเดี๋ยวมันก็วกมาอีกไปเดื่ยวกมีก็ต้องรู้ตัวว่นี่เอมันเล่น ชักขเขยเก็เราเหมือนกันนะเหมือนนางกระติกนะว่าได้แล้วไปเด็กกลับก็เดินกลับอีกแล้วก็ต้องทําไปอีกให้มันมั่นคงเมื่อมั่นคงแล้วผม ก, ก็อ่านจริงๆเลยว่าหรือไม่มั่นคงก็ตามแม้แต่ออกได้ชั่วคราวคุณก็ต้องดูไวตรวจอ่านไม่ไวเลยว่าเออไอตอนที่มันไม่มีนี่ละลางปลดปล่อยไมได้มันไม่มีหอยหาไม่มีอยากไม่มีอะไรไม่มีเหตุปัจจัยไม่ใช่ไม่มีเหตุมีเหตุปัจจัยอยู่แต่จิตตัวเหตุคือจิตตัวหลงจิตตัวติด เป็นกิเลสอยากหรือหลงมันไม่หลงแล้วรู้แล้วแล้วมันก็ไม่อยากล้างอยากออกจากจิตเออตอนจิตไม่มีอยากนี่นะมันก็สบายดีอ่านอารมณ์อ่านอาการนั้นจริงๆให้มันก็ไม่ต้องไปมีอาการจุ้งอยากลำบากอะไรจริงๆนี่นะคุณจะเห็นจริงเลยเห็นของคุณเองนะที่อาตมาผูดนี่อาตมาเห็นของอาตมาแล้วอาตมามาบอกคุณคุณก็ไปตรวจสอบปัญญาคือตัวรู้เองอย่างนั้นเนี่ยาน หรือปัญญาตัวรู้เองงนั้นรู้ของกครของมันรู้จกนกระทั่งคุณเข้าใจแท้แล้วออศีลนี่มาขัดเรากิเลสนี้กิเลสนี้มันออกไปได้ออกน้อยออกมากออกหมดออกสะอาดแล้วมั่นคงแล้วสว่างด้วยญาณปัญญาบอกว่ า, วาโอ้โหเหตุผลชัดเจาเลยไม่เอาอีกเลยก็ได้ตลอดชีวิตนี้สิ่งนี้ไม่ต้องไปสัมผัสสัมพันธ์ไม่ต้องอริอร่อยไม่ต้องเอาอีกไม่ต้องได้อีกแล้ว สามารถที่จะรู้เลยว่าเป็นผลดีแบบนี้แ ล, แล้วคุณก็ไม่ต้องมีปัญหาคุณก็สบายไปเลยมันเป็นวิมุตสองส่วนเป็นอุปตัวภาควิมุตจิตก็สะอาดลดละจางคลาจากกิเลสจริงปัญญาก็คือจิตนั่ดีแหละปัญญาก็เห็นแจ้งชัดถึงความเป็นเหตุเป็นผลที่ชัดเจนว่าดีดีจริงจริ ดีเป็นผลทั้งส่วนตัวดีทั้งสังคมก็ดีที่เราไม่ไม่เป็นอย่างนี้นะดีที่เราไม่เป็นอย่างนี้แต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เราไม่ดีสังคมก็ไม่ดีถ้าอาตมาจะเป็นนักการพนันอยู่คนหนึ่งเหมือนเก่าฮะยังเล่นไพ่อยู่เหมือนเก่าสังคมก็ได้นักการพนันอยู่ในสังคมหนึ่งคนคืออาตมาพออาตมาเลิกมาแล้วสังคมก็ไม่มีนักการพนันอีกหนึ่งคนอาตมาก็ได้ดีพออาตมาหมดความเป็นนักการพนัน อาตมาก็ได้ดีสังคมก็ได้ดีเพราะไม่ต้องมีการนักการพรนันอยู่ในสังคมอีกหนึ่งคนอาตมากินเหล้าอาตมาก็เป็นคนที่ไม่ดีอยู่ในสังคมนั่นแหละอาตมาก็ต้องเสียสตางเสียสุขภาพเสียอะไรก็แล้วแต่จะผิดพลาดเศรษฐกิจอยู่ในสังคมอยู่นั่นแหละเป็นคนที่เป็นทรัพยากรของชาติที่ไม่สมบูรณ์กินเหล้าก็อยู่อย่างนั้น แต่เมื่ออาตมาปฏิบัติเลิกละล้างจางคลายมนได้จริงตัดกิเลสจริงอาตมาได้ดีสังคมก็ลดคนขี้เลาลงไปอีกหนึ่งคนก็ดีมันสอดคล้องกันอย่างนี้กูเน้นเนื้อผลจริงเลยว่ามันดีอัอนนี้พูดฐาน ต, นต้นต้นก็เข้าใจง่ายพอฐานสูงขึ้นมาทีนี้ขอลัดสูงขึ้นมาหเห็นชัดชัดนะแต่ก่อนอาตมาเป็นคนหาเงินได้เก่งอ่า หาเงินได้เก่งอยู่ในสังคมอาติติโกโยติกาเขาก็ว่าดีทีแต่คนที่ไปต้องไปดูดเด็กของเขามาเขาบอกอไม่ดีไอ้นีมน่มันดูดเราเงินเราไปแต่คนไม่มองอันนี้ออกเพราะมองตื้นๆแคบๆ แ, แต่ว่าวัดแวดวงของตัวกูของกูพี่น้องของกูแวดวงของกูก็นึกว่าการหามาได้เนี่ยมันใกล้ตัวละเกินมันหลงมากละเกิน หามาได้มากๆนี่เป็นความดีมันยากขึ้นกว่ากินเหล้าคิดว่าเมื่อกี้นี้นะเล่นการพ น, นันนะมันยากขึ้นกว่าที่อาตมามาทำตัวเองบอกว่าเราไม่หาเงินไม่อยากได้เงินของใครมาอาตมาว่าอาตมาได้ดีและอาตมาก็เป็นคนไม่หาเงินไม่เอาเงินของใครมาให้แกตัวเองอีกเลยดีอาตมาได้ดีสังคมก็ได้ดีเพราะสังคมก็เบาลง สังคมไม่มีตัวแย่งอยู่ในสังคมตัวแย่งเงินแย่งทองอยู่ในสังคมสังคมก็เกิดเศรษ ฐ, ฐกิจที่คลี่คลายมากขึ้นแต่ญาติโยมไม่ค่ชอบแล้วฮะญาติโกโยติกาบอกแหมขาดคนหารายได้เข้าบ้านก็ไม่ชอบและความเห็นง่ายๆของคนก็คิ่มักจะนึกอย่างนี้ว่าเอะหาได้มันก็เป็นความสามารถทุกคนฝึกฝนร่ำเรียน สร้างฝีมือสมรรถภาพก็เพื่อไปหาเงินมาได้มากๆทั้งนั้นน่ะใครว่าไม่ใช่เพราะฉะนั้นในนี้ก็เข้าใจยากยากขึ้นกว่าเลิกการพ น, นันเลิกกินเหล้าอัตมาได้ดีเพราะอัตมาไม่ไปหาเงินอีกแล้วฟังแล้วเอ๊ไอ้ไม่หาเงินนี่มันชักจะไม่เข้าท่าแล้วนะฟังไอเพินินแล้วเอ๊คนไม่ทํามาหา ก, กินไม่ทํามาหาเงินนี่มันชักจะไม่เข้าท่าแลยนะเนี่ยฟังเพินเพินจะชักจะยากขึ้นนะ แต่พอชั้นสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแต่มันดีแน่ด้วยเหตุพราะอาตมาเกิดปัญญานะปัญญานี้ต้องสูงกว่าปัญญาเล่นการพนันกน ก, น ก, นกินเหล้าเมื่อกี้นี้แน่ปัญญาต้องสูงกว่าแน่จึงจะเข้าใจแล้วก็เห็นจริงเลยว่าอาตมามั่นใจอาตมาจะไม่ไปหาเงินมาให้แก่ตัวเองอีกอาตมาจะละอายมากถ้าใครมาบอกว่าโอ้โหพระโพธิลักษณ์นี่ดูสิเนี่ย ยังหารายได้ยังหาเงินหาทองหาอะไรมาได้มากๆอยู่เลยหาให้แก่ตัวเองเยอะๆอยู่เลยอายจริงๆฮิริโอตปะตัวแท้ไม่ใช่ภาษาแปลว่าฮิริคือละอายต่อบาป บ, บาปนะอาตมาไปหาเงินนี่บาปนะบาปคืออะไรอะไนี้คันอาตมานี่อาตมาเป็นพระไปหาเงินอยู่นี่บาปแนะ่อาตมาใช้สํานวนเวลาไปเทศแล้วเขาก็ให ข่ากันเทศอาตมาก็บอกอาตมาเลิกเป็นมือปืนรับจ้างแล้วนาะจํานวนนี้คนก็นีอ่อะไรพูดยังไงอาตมาว่าอาตมาเป็นพระเทศไม่เอาตังค์แล้วอาตมาต้องคืนไม่อยากให้เกิดรูปร่า ง, างนี้ถ้าเกิดรูปร่างนี้ประเดี๋ยวอาตมาอ น, อนุโลมเดี๋ยวลูกศิษย์ตามหลังก็มือปืนรับจ้างต่อไปในอนาคตพังอีกง่ายเลยเพราะฉะรูปแบบพวกนี้ต้องรักษาวิธีการพวกนี้ต้องรักษา ไปเทศก็จะไปเอาสตังมาค่ากันเทศแม้จะให้เป็นล้านก็ไม่เอาถ้ายิงไม่อยู่ในข่าวขอบขายเลยไม่เอาถ้าอยู่ในขอบขายคุณไปตัดจัดการให้คุณไม่ใช่การที่จะไปเทศเอาสตังไก่ถ้าคนที่มีมีส่วนที่จะรับได้ก็รับตามควรแต่ในรูปที่บอกว่าแมมยังเอาหมูไปไก่มาเทศจบปั๊บก็ให้ค่าเทศปับ๊บว้า ก็เลยการเทศเราก็เลยเจ้าเลยเทศเราเลยไม่เหลือค่าเลยเขาจ่ายค่าเทศแล้วไงหมดเลยเทศเลยไม่มีเราเลยไม่เป็นคนไม่มีบุญเลยเขาจ่ายแล้วค่าเทศว่าเจ้าเลยแล้วไม่มีบุญเลยแล้วไม่มีไปทําไปสร้างบุญสร้างกุศลเลยไม่เกิดบุญเกิดกุศลสัเลยนะนี่ฟังแล้วก็ยากขึ้นชักเข้าใจยากขึ้น มาในเรื่องของการปฏิบัติศีลหลักเกณฑ์ปฏิบัติมาตั้งแต่ฐานต้นจนถึงฐานกลางจนถึงฐานสูงขึ้นมาละลูกลดเป็นเสียงสัมผัสถ้าแต่ก่อนนี้บอกว่าโอ้กินข้าวไม่อร่อยนี่เป็นความไม่ดีของคนแล้โอ้กินข้าวไม่อร่อยนี่จเดี๋ยวต้องบำรุงกันแล้วนี่ต้องหายามาบำรุงให้กินข้าวอร่อยต้องไอโนนไอหนีต้องหาเครื่องปรุงต้องหาอะไรแต่มาทำให้กินข้าวอร่อยถ้ากินข้าวไม่อร่อยแล้วก็เดี๋ยวก็จะแย่ ถ้าอาตมาทุกวันนี้กินข้าวอร่อยนี่อาตมาบาปอาตมากินข้าวไม่อร่อยนี่เป็นบุญหมาตอนนี้ฟังยากขึ้นอีกแล้วอ้อยากินข้าวไม่อร่อยก็นับวันตายที่มันจะไปกินลงยังไงแล้วกินข้าวไม่อร่อยเพราะคุณตลอดเวลามาถูกหลอกมาต้องกินให้อร่อยอร่อยแล้วมันก็หลอกกันโอ้โหยอดอร่อยยอด แสบทั้งนั้นนะถั่วกรุงนี่มันหลอกกันมาไม่ใช่ปีเดียวเมื่อไรหมื่นปีแสนปีแล้วมันหลอกกันมาคุณก็ต้องคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นแล้วคนที่จะมีปัญญาต้องเห็นจริงแล้วก็คอยืนยันเอาอย่างเงี้ยเห็นด้วยปัญญาลู่เงี้ยอย่างนี้แหละเป็นของดีอาตมาจะเอาอาการที่ไม่ไม่กินข้าวอร่อยเนี่ยนี่แหละเป็นเป็นของดีของอาตมา ใครจะมาหลงตามอตาตมาก็เอาถ้าใครเขาว่าหลงเอ้ยพูดโพธิลกักษณ์หลงเลอะโง่โงมีอย่างกินสบายๆกินอร่อยอร่อ ย, ออยกินดีๆไม่เอาไปฝืนไปทรมานตนฟังให้ดีนะอาตมาทรมานตนจนไม่ทรมานแล้วเดี๋ยวนี้อาตมา ก, กินข้าวอร่อยไม่อร่อยก็ดำบกกลิ้นอตาตมาก็ไม่เห็นมันปีนปัญหาไรอตาตมาก็กินก็อิ่มมีพีมันอยู่ทุกวันทุกวันไม่เห็นประหลาดอะไร มันต้องเห็นด้วยปัญญาอันยิ่งจริ ง, รงๆเข้าใจแล้วก็เชื่อมั่นมั่นใจเราเข้าใจถูกแล้วแล้วเราก็อยู่กับโลกสบายคนไม่ต้องอยากอาตมาไม่ต้องไม่ต้องอร่อยอร่อยถึงอร่อยอร่อยมาอาตมาก็ไอแปะเอียและอร่อยก็ไม่อร่อยก็เหมือนกันง่ายด้วยคุณก็ง่ายไม่ต้องไปปรุงแบบโล่ๆมาอร่อยมันมีอะไรกอของมันตามธรรมชาติธรรมดาเป็นไปตามควร ให้มีธาตุที่สังเคราะห์ร่างกายได้สมบูรณ์ก็พอแล้วไม่ต้องสวยไม่ต้องอร่อยไม่ต้องไพเราะแต่ให้ได้เนื้อเพราะฉะนั้นอาตมาเองอาตมาฟังคาไพเราะเพราะพิงแหมคนนั้นพูดแล้วบอกกรงๆแล้วดัดจริตมากๆแล้วแมมพูดไพเราะแหคนนี้ต้องให้อาตมาดัดให้มากๆหน่อย จะดีของคุณมันมากไปแล้วอาตมาดัดแลดีแต่คุณมันดัดมากไปอาตมามาดัดมั่งให้อาตมามาดัดมั่งภัยร้อเพราะพิ้งหวานนอะไรต่อใดเนี่ยเราฟังแล้วโลกโลกมันก็เขาก็นิยมเปในอย่างโลกต้องให้ภัยราะเพราะพิ้งใช่เป็นรถโลกเป็นโลกีโลกีจะรถแต่เพราะว่าเป็นทางทำแล้วมันต้องกลับกันอีก เมออาตมาออกมาเป็นพระโพธิรักแล้วเนี่ยโอ้โหพูดไม่อร่อยเลยพูดไม่เพราะเอาไมเพราะก็ไม่เพราะเอแต่มีคนมาฟังเหมือนกันนะมีคนมาฟังเลยฟังสาระสัจจะเข้าไปจริงๆเข้าไปหาเป้าหมายกลงผาผาเข้าไปเอา้าเราก็ได้คัดเลือกได้ผู้ที่เอาสาระไม่เอาภัเรอดจนกระทั่งมากขึ้ น, ม า, นมากขึ้นก็อาตมาก็สบายขึ้นมีหมู่มีฟูงมากขึ้น พูดได้อย่างนี้เป็นความไพเราะทางธรรมพูดได้เป็นสัจจะพูดได้ตรงได้ลัดไม่ต้องอ้อมค้อมได้เท่าไรยิ่งดียิ่งไพเราะยิ่งทราบซึ่งยิ่งรู้เร็วชัดเจนผูนะ้ใ ด, ดถือสาจะต้องบอกว่าใช้มารยาทแมมรู้อยู่เหมือนกันแล้วว่าสัจจะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องพูดเอียเอ่ยงพูดอ้อมค้อมบางทีพูดประพาตรงนี้ไม่มีมารยาท แล้วเขาก็ตั้งค่ามารยาทเอาไว้เท่านั้นเมื่ออาตมาไม่ใช้มารยาทเท่าค่าของเขาเขาตั้งค่าไว้ห้าหนุยนี่คุณจะต้องอบอบออบเอียงๆตามเขาอ่างนี้นะคุณจะต้องอนุโลมไม่ไก่เขาอย่าไปพูดตรงนะต้องพูดเบี้ยวๆไปเท่านี้องศาถ้าพูดตรงๆนี่ไม่มีมารยาท ต, ต้องพูดโค้งเท่านี้องศาจึงจะสมกับมารยาทของสังคมอาตมาก็ไม่เอาตามค่าที่คุณกําหนดอาตมาก็ไม่ คุณบอว่าจะต้องพูดให้โค้ง10องศาอัตมาพูดไม่โค้งเลยเปรี้ยงเลยไม่ต้องโค้ง10องศาก็ไม่เหลืออาจจะโค้งให้1องศาเงี้ยค่าไม่เท่ากับคุณกําหนดและคุณก็บอกว่าอัตมาไม่มีมารยาทใช่เพราะคุณเอาค่าต้องโค้ง10องศาเป็นค่ากําหนดมารยาทถ้าตมาไม่โค้งเท่าที่คุณกําหนดคุณก็ว่าหาว่าอตมาไม่มีมารยาทใช่ด้วยตกลงแต่ตมาต้องการสัจจะที่ไม่โคง้ง ทุกวันนี้เราโค้งกันไม่น้อยแล้วนะไม่ใช่สิบองศานะเดี๋ยวนี้โค้งจนกระทั่งสามรอหิองศาแล้วนะรู้ปะ <c oughs> โค้งกัน360รอหองศาแล้วเดี๋ยวนี้เป็นรูปบินเลียดเลยกลมดิ๊กเลยโอ้โหจนไม่รู้อ่าตรงไหนหัวตรงไหนหาตงตัวนีน้ปลายตรงไีนต้นมันพลางกันจนไม่เห็นส้นเห็นหัวเลยมารยาทอะไรกันจนเกินการ มรารยาร agen, ท, ทมันมากซับซ้อนจนถึงขนาดนั้นว่าเรื่องนี้อาตมาว่ามันพรางมันอนุโลมมันยอมจำนนกับสิ่งคนอื่นเขากำหนดมากเกินไปจนสังคมทุกวันนี้แก้ปัญหาสังคมอะไรไม่ได้เลยเรื่องนี้อาตมาก็กำลังพยายามที่จะรณรงค์ว่าเขาหาว่าอาตมาไม่มีมารยาทเออสิวะนี่จำนวนพระโพธิลักษณ์นะย้อนไปเลยใช่ ใช่สมมติวา่าในต้องนักเลงนักเลงหน่อยเพราะตามธรรมดาในอาตมาไม่เป็นนักเลงเลยในชีวิตไม่เป็นนักเลงเลยไอ้นักเลงยนโยนโกงโกงแบบโลกโลกไม่เป็นอ่ ะ, อะไม่เป็นเลยท่าทีอย่างนี้ไม่มีไม่เป็นเดี๋ยวนี้ต้องมาเป็นนักเลงทางธรรมทําให้นักเลงไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าพวกตัวโกงทั้งโลกมันเยอะมันจะข่มอาตมาอาตมาก็ต้องเป็นนักเลงขึ้นแล้วตอนนี้ ถ้าขึ้นไปเป็นนักเลงแล้วมันข่มหมูอาตมาก็ต้องเป็นนักเลงขึ้นมาบ้างอะไรไม่ได้แล้วเดีย๋ยวนี้อาตมาไม่กลัวแต่ก่อนนี้อาตมากลัวนะนักเลงโลกโแต่เดีย๋ยวนี้อาตม า, าอาตมาไม่ในนักเลงเชิงธรรม ไ, ไม่ในนักเลงเชิงโลกทีเดียวอาตมานักเลงเชิงธรรมไม่มอาตมาจะพูดอย่างนั้นเลอกเออสิวะสิแวะอะไรอาตมาก็ใช้เป็นโมหารเป็นศิลปะเป็นคํากล่าวโดวยจริงอาตมาก็ไม่เป็นเหมือนอย่างนักเลงมันโดนคำก็เออสิวะเออสิวะอาตมาก็ธรรมดาก็ไม่ได้พูดอย่างนั้น ซึ่งใครครบหากัตมาก็รู้ดีแล้วไม่ใช่เรื่องปกติแต่อันนี้เป็นเรื่องของศิลปะนานๆนนใช้ทีแล้วก็เอามาใช้เมื่อสมเหมาะสมควรในการละเวลาหมู่ฟูงขณะที่กําลังใช้สมเหมาะสมส ม, ส ม, ส ม, ส ม, สมกับการองค์ประกอบศิลป์ น, น่ะเรียกว่าเมื่อถึงถึงคราวค้างพร้อมที่จะใช้องค์ประกอบศิลป์แล้วก็ใช้อันนี้ประกอบเข้าไปเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าอาตมามีประจําอยู่ที่มือเมื่อไรก็เออซีวะเออซีวะประกอบตลอดเวลาก็เปล่านะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะ ไอ้่างั้นมันของนักเลงจริงเขาอัตมามันนักเลงแก่นักเลงทางธรรมใช้ตามกาละเท่านั้นนะให้เห็นว่าอัตมาเอาจริงจำนวนพวกนี้มันเหมือนสั้ำนวนนักเลงจำนวนจำนวนเอาจริงโลกเขาเข้าใจเงินแล้วก็จริงอัตมาก็เอาจริงเพราะเขาจะใช้จำนวนที่เขาว่านักเลงต้องนักเลงต้องเอาจริงที่จริงนักเลงมันขี้ขู่อัตมาก็ขู่บางทีเรื่องอะไรนักเลงขู่ได้อยู่คนเดียวนักธรรมะก็ขู่ได้เหมือนกันนี่อัตมาก็ขู่บ้าง แล้วก็พยายามที่จะใช้พวกนี้เป็นศิลปะศิลปะที่อาตมาเรียนมากลับมาใช้ทางนี้แล้วได้ผลนะแต่ก่อนนี้อาตมาชอรออย่างไรดีพูดเนืหวานคลุมคําคมงามงอนเลยนะเพราะเป็นโคศกหากินน่ะไม่พูดไปรอเขก็ไหอ่ออกจากเวทีทีเขจะเป็นจ้างเหรอเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วดัดจดิ์อย่างนั้นพูดผ่าๆตรงๆไม่โคง้งจึงได้ผลมา มันเป็นการคัดเลือกในตัวด้วยว่าเราเองคนไหนไปติดภัยรอดไปติดคารมโลกไปติดกาหนดโลกเขาก็อยู่กับโลกคนไหนไม่ติดกาหนดโลกแต่เลยเขยกาหนดโลกมามองธรรมะเฉาะเข้าไปถึงเนื้อถึงอะไรเอนี่สาระอันนี้ได้ความแฮคุณก็จะเลือกเอาคุณหลายคนที่มานั่งอยู่ในที่นี้ส่วนมากส่วนใหญ่เลยจึงเลือกมาแล้วก็มาเอาแล้วตมาก็ยิ่งพูดตรงพูดผ่พาพูดแม้กระทั่ง คำที่อาตมาไม่ค่อยได้พูดไปคารวะไม่ค่อยได้พูดมาเป็นพระเนี่ยอาตมากลับพูดมากขึ้นแท้แรงขึ้นจัดขึ้นแล้วกลายเป็นคนปากชัดใหญ่เลยแม้อาตมาไม่ได้เรียกตัวเองว่าปากจัดนะอาตมาแล้วยิ่งปากชัดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยและอาตมาก็ขอยืนยันว่าอาตมาไม่ได้เป็นคนที่จะปากอย่างนั้นพูดอย่างนั้นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่พูดเป็นครั้งคราวดังที่กล่าวแล้ว เอามาประกอบนะเมื่อพูดในรามาัก็สื่อสื่อให้คุณได้รับได้รู้และคุณก็เข้าใจซ้ำไปด้วยย้ำไปด้วยแล้วก็ขยายความไปด้วยชัดเจนขึ้นและคุณก็ไปพิสูจน์ปฏิบัติฝืนคมอันใดมันหลุดพ้นแล้วจึงสบายก็ขอกลับมาย้ำที่เป้าประเด็นที่อาตมาต้องการเน้นว่าปฏิบัติทำนั้นไม่ใช่ทำอะไรตามอำเภอใจ ทำอะไรอะไรตามใจที่เราอยากทำชอบใจสบายแบบคาความหมายของโลกโกไม่ใช่คุณต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากต้องฝืนต้องธรรมะต้องสู้ทนต้องอดทนต้องขันติต้องให้เกิดความจริงต้องให้เกิดการสละไม่มีสี่ตัวีิสัจธรรมะจักขันติสัจจะต้องให้เป็นจริงจากข้าต้องให้เป็นจริง ต้องให้มีจาระจาคะก็จริงธรรมะสัจจะ ก, ก็จริงได้จริงรู้จริงแล้วก็กระทำจริงให้ได้สละจริงก่อนจะสละมันก็ต้องเป็นธรรมะมันก็ต้องเป็นขันติมันก็ต้องเป็นการฝืนกลั่นอดทนต้องข่มใจไม่ข่มใจไม่ได้เพราะมันจะต้องตามสบายใจจึงไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะ ให้ปฏิบัติธรรมะตามสบายใจยะถาสุขขังไม่ใช่การปฏิบัติธรรมะขอยืนยันผู้บรรลุแล้วเท่านั้นมีสรุปเรามาสแสวงหาความสบายในไปคำพูดรูป ร, ร, รัดั์แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ปฏิบัติธรรมมหาความสบายคือมาหาสิ่งที่เราพอใจไม่ใช่ ร่างกายมาปฏิบัติธรรมมานี่ยิ่งอยู่กับหมูก็ฝูงก็จะต้องเขากระทบสัมผัสเมื่อกระทบสัมผัสก็จะต้องฝืนใจข่มใจก็จะต้องระมัดระวังก็จะต้องทำยังไงเราจะต้องปรับปรุงยังไงถึงสละอันนี้ออกได้ถึงจะลดจอนได้ลที่จะเป็นไปได้จะประสานได้สมานได้ต้องฝึกหัดฝึกปรือไม่ง่ายเลยเนี่ยอาตมาได้ทำงานาศาสนามาขนาดนี้อาตมาจับพวกเรามานี่ไม่ว่าเท่าไม่ว่าแก่ไม่ว่าหนุม่มไม่ว่าสาวตะวันออกตะวันตกเนื้อใต้ เขามารวมกันจับมาพิสูจน์ทำงานร่วมกันโอโหบางทีเด็กสอนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็ต้องเฮ้ยเราก็ต้องปฏิบัติทํนะน้าให้เด็กมันสอนอ่าบางทีเด็กก็ปากจัดไปพอได้ทีได้ท่าสอนผู้ใหญ่ได้ก็สอนเกินไปนะก็ไม่รู้ตัวอีกผู้ใหญ่ก็ตอกคืนให้บังเอาวัดกันไปซัดกันมาเป็นจริง และอาตมาเห็นผลที่ว่าเมื่อเราทํากันไปสอนกันไปอาตมาก็อบรมไปบอกกล่าวไปแล้วเราก็ได้พยายามบัญญับรรยังลดละผู้ใหญ่ก็ลดเด็กก็ลดลดกิเลสเราเองทั้งนั้นแหละจนกระทั่งเข้ากันได้ทํางานร่วมกันได้ไม่มีช่องว่างระหว่างวัยนีวพอเราทํางานกันไม่เกิดช่องว่างระหว่างวัยแต่มันก็ยังไม่สมบูรณ์หรอกนะยังไม่งามพร้อมมันก็ยังมีกกคนแก่มีกกคนสาวอยู่บ้าง มันยังไม่งามทีเดียวมันยังมีว่างอยู่บ้างช่องว่างระหว่างวัยก็มีบ้างแต่ว่าก็ทำกันขึ้นมาได้มากนะรถช่องว่างระหว่างวัยลดช่องว่างระหว่างกิเลสชายหญิงอ่าก็ไม่ก็ไม่ขยายความมากเพราะว่าถ้าผู้หญิงผู้ชายยิ่งหนุ่มหนุมสาวสาแล้วก็ยังมีกิเลสอะไรต่างกันทํางานร่วมกันแล้วก็มีกิเลสซ้อนอะไรพวกนี้ก็ไม่ละนะ ลดช่องว่างระหว่างมานะการถือตัวไว้เท่ากันหรือว่าตัวไร่เรียกกันมีความสามารถใกลเคียงกันทําสิ่งเดียวเป็นด้วยกันอวดดีฉันก็ทําเป็นแกก็ทําเป็นเอาอย่างงี้สิไม่เอาอย่างงี้ของอ้วต้องเอาของข้าอะไรต่างๆนะมันก็จะมีการดึงดึงทึงๆกันทะเลาะเบาะแวงกันบ้างอวดดีถือดีเป็นมานะก็ลดช่องว่างระหว่างมานะลงมาได้ไม่ใช่น้อยอัตมาพิสูจน์การงานเสมอ อาตมาขอยืนยันว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาแห่งสังคมดังที่อาตมาขอยืนยันไ ม, ไม่ใช่ใครกล่า ว, วาอาตมากล่าวแกจิอาจารย์ก็ไม่ได้เคยกล่าวไว้ว่าศาสนาคือพลังที่รวมสังคมอันใดที่ไม่เป็นไปเพื่อความร่วม เ, เพื่อความร่มเย็นร่วมกันรวมกันนั้นไม่ใช่ศาสนาอาตมาออกมาจาก ข้อคิดคำความของอาตมาเองทั้งนั้น ไ, นไม่ได้ไปลอกเรียนใครมาท่าอาตมาขอยืนยันยิ่งชื่อว่าศาสน า, าพุทธด้วยแล้วต้องอย่างนี้อาตมาขอใช้คำว่าต้องเลยด้วยเป็นคำประเภทดิมา น, เ ป, น, เ, ป น, มานเป็นคำประเภทดิมานเป็นคาประเภทอาณาประเภทให้เชื่อเลยแต่คุณจะเชื่ออาตมาก็อย่ามาเชื่อได้ดไปนะ แม้จะใช้เป็นลักษณะโวหารก็เป็นลักษณะอย่างนี้แหละนะพระศาสนาที่เป็นเป็นลักษณะที่มัเป็นพลังรวมสังคมอยู่ด้วยกันร่วมกันได้ทํางานทําการร่วมกันเผื่อแผ่กันสร้างสรรค์สังคมจะอยู่เย็นเป็นสุขมีสันติภาพเพราะตัวเราเองนี่ลดกิเลสได้อันนี้เป็นข้อพิสูจน์อาตมาว่าอาตมาภาคภูมิใจที่ประสบผลขนาดนี้ที่ทําอะไรต่ใดมาแล้วอาตมาก็พากพิสูจน์อยู่เสมอ อาตมาก็ทํางานเนี่ยทำงานสอนเป็นครูเป็นอาชีพทํางานอบรมเผยแพร่ธรรมะเป็นอาชีพนี่เป็นเรื่องจริงเรื่องตรงเรื่องถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้ว่าอาชีพก็ขอย้ําขอขายายความเพื่อให้ชัดแจ้งเดี๋ยวนี้เราความหมายอะไรแต่อะไรก็เพี้ยนหมดเราจะมีสัมมาสังกัปปะสัมม า, มาวาจาสัมมากรรมันตสัมม า, มาอาชีพสัมมาอาชีวะทําให้มันลงตัวให้ปรับตังให้เข้าสัมมาคือให้พอเหมาะพอดี ให้เข้ากับเหตุผลที่เรารู้เป็นสมาธิธิมีสมาวายามากกับสมาสติมีตัวความพยายามกับมีสติรู้ตัวเสมอนะสัมผัสแล้วเราจะต้องปรับปรับให้มันถูกเรื่องถูกราวให้มันได้สัตว์ได้ส่วนที่ถูกต้องที่ดีที่พอเป็นพอไปกระทาอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ลา ก, กิเลสเออใจเราก็พอดีคนอื่นเขาก็พอไปปรับทั้งนอกปรับทั้งในมีกายข้างนอกกายนอกกายกายในกายกายในกายก็คืออารมณ์ของจิต ธรรมารมกายนอกกายก็คือองค์ประกอบความประชุมอยู่ข้างนอกทั้งเหตุการณ์ทั้งวัตถุทั้งผู้คนประชุมไม่ได้สัดส่วนที่ดีนี่เป็นการปรับปรุงปฏิบัติทำไปด้วยเด็ละกิเลสไปด้วยงานการก็ได้ปรับปรุงเข้าไปสู่ส่วนดีด้วยมันเป็นทางลัดที่สุดวิธีลัดที่สุดแล้วที่อาตมาเห็นวทฤษฎีที่ดีที่สุดแล้วในโลกของบูรณาการนี้ คนเข้าใจมรรคองแปดการปฏิบัติธรรมที่จะเข้าเป้ามรรคองแปดนี้ไม่ได้ง่ายๆเพียนไปหมดเลยจนกระทั่องอาตมาโผล่ขึ้นมาในประเทศไม่ใช่ประเทศในในชาตินี้มาเห็ น, นเนี่ยก็อาตมาไม่ได้ไปประเทศไหนหรอกอาตมาอยู่แต่ประเทศไทยมาเห็นธรรมะพระพุทธเจ้าขเขาปฏิบัติกันก็บอกว่าการปฏิบัติธรรมคือยังไงไปนั่งหลับตาแล้วก็ออกป่าออกเขาออกถ้า จนอาตมามาเข้าใจแจ้งชัดโดยความจริงที่อาตมารู้ของตัวเองนี่แหละมันมียานของตัวเองมันมีบา ร, รมีของตัวเองรู้อ๋อมรคองแปะนี่ก็ออกนอกทางหมดแล้วยิ่งได้มาพยายามขยายแล้วไม่ได้ขยายอย่างรีบร้อนขยายอย่างเฉยเจ็มทีอาตมาว่าเฉยด้วยซ้ําไปนะค่อยๆขยายมาเนี่ไม่ได้รีบร้อนรีบไม่ได้รีบร้อนรีบรัดเลย จนกว่าจะทําให้พวกคุณมีตัวจริงมีตัวประพฤติมีตัวยืนยันแล้วอาตมาถึงก็ค่อยมาย้ํามีเห็นไหมเก็เห็นผลเพราะเขาปฏิบัติมกักองแปดเขาปฏิบัติทำด้วยการประพฤติปฏิบัติจริงทําจริงไม่ใช่ไปเอาแต่นั่งหลับหูหลับตาไปนั่งท่องไปนั่งคิดเอาแต่ไปท่องพระอภิธรรมเอาแต่ไปนั่งคิดผกผันอะไรแต่ใดเอาแต่ปัญญาทางเทิงเชิ ง, งต ก, กะหรือไม่ก็ไปนั่งให้มันกดสะกดจิตสะกดใจนั่นแนหะคือภาคปฏิบัติไม่ใช่ อันนั้นเป็นเพียงองค์ประกอบถ้าเรียนรู้ในรายละเอียดที่ดีก็จะให้อุปการะบ้างแต่อันนี้เป็นทางเอกทางเดียวเป็นสายใหญ่เรียกว่าสายเอกเลยสายเมนเลยทางปฏิบัติมักองค์8นี่เป็นสายใหญ่จะทำพวกนั้นประกอบบ้างตามควรก็ทำไปถ้าบางคนทำแล้วไม่เกิดผลอะไรก็ไม่ต้องทำ้วยซ้ำทำแล้วมันเสียผลเลซ้ำจะไปทำทำไมอ่าองค์ประกอบพวกนั้นเพราะไม่ใช่หลักใหญ่ มไม่ใช่หลักใหญ่หลักใหญ่คือมรรคองแปดต้องทําทุกคนมืน่อถาให้ผ่านมรรคองคปดไม่ใช่ศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าเกิดมรรคองคปดจึงเกิดพระพุทธเจ้าทุกองคตัดสรุมรรคองแปดตัดสรุปอริยสัจสี่ไม่ได้ตัดสรุปอื่นเลยทางปฏิบัติคือมรรคองแปดมรคคือปฏิบัติอย่างนี้มีการรู้การเห็นแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้แล้วจึงจะเป็นอริยสัจอริยสัจข้อที่ส ที่เรียกว่าผลผลเรียกว่าทุกนิโรธคามินีปฏิปทาทุกนิโรธคาม่มีปฏิทปทาสิอริยะข้อที่อริยสัจข้อที่สเนี่ยก็คือผลแต่ถ้าเรียกมรต ก, ก็คือมรตมรตมีอะไรองค์แปดในไงปฏิบัตินั่นแล้วจะเกิดอะไรเกิดผลทุกนิโรธคาม่มีปฏิปทาเป็นตัวสุดท้ายแล้วเป็นตัวผลคือทุกนิโรธดับดับทุกแล้วดับทุกได้ดับเหตุแห่งทุกได้อ่า เรารู้ทุกข์แล้วก็พยายามหาเหตุมันเราเข้าใจทุกข์ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะเพราะว่ามันซ้อนซับซ้อนตัวทุกข์เนี่ยก็คือตัวโลกีสุขทุกข์นี่ก็คือตัวโลกีสุขถ้าเรียกอย่างนี้ซ้ำซ้อนคุณฟังแล้ว อะไรก็บอกสุขกระทุกมันคนละตัวตัวเดียวกันยอดตัวเดียวกันเลยจะบอกให้ทุกนี่คือโลกียสุขเราไปเรียกมันว่าโลกียเราเรียกเรียกมันว่าสุขแต่แท้จริงตัวนี้แหละตัวที่มันพรางลง ม, มันมาเป็นตัวปลอมไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่อริยสัตว์ไม่ใช่สัตรจระล อ, อสุกๆโลกียานี่ยไม่ใช่สัตจะค่าได้ตายได้ลมล้างได้ ไม่มีโลกียสุขก็มีชีวิตชีวาชีวิตชีวาได้อาตมาว่าอาตมามีชีวิตชีวาทุกวันนี้ไม่ต้องไปอาศัยโลกียสุขเลยความคนที่จะเข้าใจโลกียสุขนี่เป็นทุกข์นี่ไม่ใช่ง่ายและเรียกมันอีกทีหนึงไอ้โลกียสุกนี่แหละตัวเหตุแห่งทุกข์ตัวที่ไม่ปลอมร่างปลอมกายเป็นสังขารธรรมตัวสําคัญเป็นสมุทัยตัวร้ายเลย เพราะเป้าหมายว่าเป็นรถอย่างนี้แล้วเราก็อยากไออยากนี้เป็นตัวสมุทัยเหมือนกันเป็นอิทัิปยตาเป็นตัวที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันมาเราจะไปอยากอยากจะได้ไอตัวเป้าหมายนั้นพอได้เป้าหมายนั้นนั่นแหลเป็นตัวรากเงาของที่จะเกิดตัวอยากละเพราะเราไปอุปทานเพราะเราไปยึดถือเราจะต้องได้อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วเราก็มีใจอยากใจอยากแล้วก็แสวงหาอะไรเราจะปรุงสร้างไปหา ตัวโลกยจสุ k นั้นนะมีวิเคราะห์แค่นี้ก็คงยากอยู่แล้วละ่ะนะก็ขอผ่านไปแล้วพอพ อ, พอแนะสําหรับผู้ที่จะพอฟังออกผู้ที่ฟังได้มีปฏิพานฟังต่อแล้วก็พยายามใช้ปัญญาต่อได้นะเ่อเราจะรู้ทุกก็ต้องพยายามจับทุกที่เรารู้ได้ชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆอัตมาพูดเมื่อกี้นี้อธิบายเมื่อกี้นี้คุณยากเพรา ะ, ะนั้นเราก็ไม่บอกว่าเป็ น, นอย่างั้นมันทุกข์หรอกเราก็จะเอาตัวที่บอกว่า เอาเอาตัวนี้มาปฏิบัติเถอะไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์นะมันไ ป, ไปไปหาอบายมุกรสอร่อยของสิ่งที่มันไม่จริงที่ชัดชัดอยู่แล้วไอ้กินเหล้าเรากินยากจะจะอะไรไมันจะอร่อยอะไยอะไรสูบุรีก็โอ้โหเมนฉุ น, นไม่ใช่ง่ายนะแต่ก็ไปฝืนทาจนติดจนลงไปตามพอเวลาคุณเลิกมาแล้วคุณถึงจะรู้อย่างคนแก่ๆขอกเรานี้ ใหเลิกกินหมากพรเลิกได้จริงๆเลยไปลองกิดูโอ้โหมันยันนะตอนนี้แล้วเสร็จเลยอย่างโยมเหนียวงี้บอกว่าแหมเข้าใจแล้วก็มาเลิกได้โอ้ยสบายเบาแล้วจิตของแกก็เป็นเจโตไมุตุดจริงๆปัญญาแกก็เห็นด้วยว่าโอ้จริงเลิกมาได้สบายเบาชัดเจนยืนยันยืนหยัดเลยแล้วมันเสกสายอย่างอาจจะอย่างโยมเหนียวนี่แกก็เป็น แกโตสายเจโตด้วยแกก็จริงพอจริงแกก็บอกเออไว้วงวังแกก็ไปลองดูแกได้ไปลองจริงๆนะแกก็ไปลองกินหมากอีกทีแกกินมาไม่รู้กี่สิปีแกอายุ80แล้วแกกินมาตลอดตั้งแต่สาวแท่จนกระทั่งอายุ80ดิคิดดูซิแก ก, กินมากี่สิปีอะพอเลิกได้อย่างจริงอย่างนี้มันลาได้จริงแกก็เลยไปลองกินอีกโอ้ยมันยันเลทีนี้เข็ดเลยทีนี้ไม่ขอกล้าลองอีกแล้วไม่ขอ้อใจอีกแล้วมันไม่ได้กินง่ายนะเครยังไม่เคยกินไปกินหมากนี่ยันนะคุณ ใครไม่รู้เรื่องสับนี้ของพวกนักกินหมา ก, ก็ไม่รู้เรื่องแต่ใครรู้เรื่องก็ลองนะสิมันยันโอ้โหปากคอพองตายไม่ใช่เรื่องเล่นนักกินหมากเนี่ยไม่ใช่กินง่ายแต่ก็ไปพยายามจนเป็นจนได้โอ้โหแล้วก็อร่อยแมคนเรานี่เหลือเก่งไหเก่งในเรื่องเลวนี่มันเก่งจงิสู้จนจนสำเร็จพอเวลามันเลิกมันก็ยากที ก็ไปพยายามเนี่ยอย่าไปติดไปยึดไอ้สิ่งเหล่านั้นขึ้นมาซะจนจะแย่นะนั้น พ, พวกเราก็ต้องมาดูตัวเองอะไรที่มันเป็นตัวที่ควรรู้ว่ามันเลิกได้แล้วละไ อ, อย่างนี้ซึ่งอาตมาก็พยายามสรุปพยายามประมวลมาเป็นหัวข้อมาเป็นหลักตั้งแต่อบายซึ่งเรียกว่าอบายมุกมาจนกระทั่งอบายต่อมาต่อมาลูกโลกจินเสียงสัมผัสหรือว่าโลกธรรมลาบยศสันเริญ ไล่ขึ้นมาจากกนกระทั่งถึงสภาพนามธรรมาอัตตาหรืออัตภาพเนื้อตัวความถือดีถือตัวถือตนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่สอนถือตัวถือดีถือตนตั้งแต่พื้นฐานก็สอนมาด้วยแต่เป็นเน้นตอนปลายอีกนะโดยหัวข้อเราก็บอกว่าสภาพโลกแห่งอัตตาหรือโลกแห่งอัตภาพก็ต้องเป็นเป็นตัวปลายไปก็มาล้างกันให้หมดนะแล้วเราจะได้พิสูจน์ว่านี่เป็นสัจจะนี่เป็นเรื่องจริง นี่เป็นเรื่องไม่แปรปลวนพอมันได้แล้วมันไม่หันกลับมาเกิดปัญญาที่เห็นจริงเห็นแจ้งอาตมาถึงเห็นว่าอาตมามีชีวิตทุกวันนี้มันกลับกันกับคนโลกว่าถ้าเขาได้เงินหลายร้อยล้านหลายพันล้านเขาภาคภูมิชื่นใจมาเป็นสมบัติของเรามาไว้สำหรับเป็นการโออวดหรือว่าไาใช้ซื้อโลกีสุขอะไรสเสวยเสพอาตมาไม่ได้ยินดีเลยไม่จริงๆเทยจริง ก็ทำงานนี่แด้วยความสมัครใจแล้วอะยืนยันมั่นใจจริงๆว่าเรามีความดีเรามีความรู้เรามีสัจจะอันนี้แล้วเราเห็นว่าอันนี้ถูกต้องแล้วอาตมาจะเผยแผ่อันนี้ไปจ่ายเท่าไรก็ไม่หมดหรอกยิ่งจ่ายยิ่งลึกซึ้งยิ่งจ่ายยิ่งได้มาอาตมายิ่งเทศน์อาตมายิ่งลึกแหลมขึ้นนะอาตมายิ่งเทศอาตมายิ่งได้ความรู้เพิ่มขึ้นนะไม่ใช่ว่าอาตมายิ่งเทศอาตมายิ่งหมดยิ่งเทศยิ่งหมด คุรู้สึกแล้วว่าอาตามา ย, ยิ่งเทศยิ่งหมดยิ่งเทศยิ่งมากบอกกูอะไรมาพูดกับมรู้พระองค์นี้พูดจังเลยยิ่งเทศยิ่งมากนะคือยิ่งเทศเนี่ยอาตามา ย, ยิ่งก็นามาพูดปากนี่นะสมองอาตามาหรือว่าจิตวิญญาณอาตมาทำงานมันทํางานล่วงหน้ามันไปแล้วไปแล้วพูดออกมานี่ส่วนหนึ่งไอ้ที่มันทําไปแล้วนี่ไม่ได้พูดออกมาที่เหลือตกอยู่นี่เยอะ เพราะฉะนั้นพูดอะเกินเวลาเสมอเพราะมันเยอะนี่มันปั่นเครื่องไปตั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยได้ออกเด้ค่อยระบายออามหมคุณฟังเนี่ยมันเยอะอยู่ในนี้ยิ่งเทศยิ่งได้เสมอทั้งที่ซอกแซกละเอียดละอทั้งที่เก็บมาไว้ทั้งที่มาอะไรอะไรอีกเยอะนะมันเกิดมันทับทวีนะไม่ใช่ว่ายิ่งจ่าย นี่แหละเป็นอริยทรัพย์ที่มันกินไม่หมดยิ่งมีมากยิ่งให้ยิ่งมากมันตรงกันข้ามที่อตาตมาเคยยกตัวอย่างเสมอว่าโถทรัพย์โลกโลกในให้เขามีแสนล้านโถให้ใครเอามาให้อาตมาแสนล้านเดนนี้มาอาตมาจะจ่ายแสนล้านในภายในเวลาปีเดียวไม่ถึงปีก็ได้จะจ่ายออกหมดทันทีแล้วหมดเกลี้ยงเลยไม่เหลือเลยแล้วไม่มีอีกนะจะให้มากเท่าไหร่ก็หมดวัตถุโลกให้เขาไปก็มีแต่หมดกับหมด แต่อริยศัพทร์นี่นะยิ่งไห้ยิงงามยิ่งไห้ยิงงอกยิงให้ยิงไม่หมดคนโง่เท่านั้นแหละจะไม่เอาอริยศาทร์ก็อาจจะมาเห็นจ้าชัดอยู่แล้วว่าเออยรัพย์อย่างนี้มันวีเศษนี่ทรัพย์อย่างนี้ใช้ไม่หมดกินไม่เกลี่ยงนี่แหละเขาเรียกว่ากินบ่อเสี่ยงไปหลงซื้อทีเอ่เขาหลอกว่านี่แหละเนี่ยพลอยกินบ่อเสี่ยงราคาแพงเขาหลอก ไปซื้อราคาแพงไอ้นั่นไม่เสี่ยงอะไรให้เข้าไปได้ก็หมดเลย เ, ยเอง พ, พ่อกินบอดเสี่ยงไปทําไมมันจะบอดเสี่ยงภาษานี่มันภาษาทางเหนือเขาก็เรียกเหมือนกันอีอสานก็เรียกเหมือนกันกินบอดเสี่ยงไหมเขาบอกกินไม่มีวันหมดกินไม่มีวันหมดหมดแต่อริยสัพว์ก็ อ, อริยทรัพย์เนี่ยกินไม่หมดแท้อริยทรัพย์เนี่ยกินไม่หมดจริงๆ มีที่ตัวให้ได้แล้วเราก็จะใช้เลี้ยงตนเลี้ยงตนด้วยเผยแพร่ทําความอุดมสมบูรณ์ให้แก่มนุษย์ให้มนุษย์เนี่ยรุ่งเรืองให้มนุษย์เจริญให้มนุษย์ประเสริฐมันเป็นทรัพย์วิเศษที่จะทาให้คนนี่บำรุงคนให้เป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้มีคุณค่าอยู่ในโลกได้อาตมาพอใจภูมิใจตัวเองพอใจจริงๆภูมิใจตัวเองจริงๆ ถ้าอาตมายังกลายเป็นนายรักรักพง์ที่จะอยู่ในโลกหาเงินป่านนี้อาตมาสมมุติตัวเองอ๋อล้ตอนนี้อาตมาก็ไม่เทียบเท่าเศรษฐีระดับสิบสองคนในโลกก็อาตมาก็ได้สักทีนอะไรได้เหมือนกันนะอาจจะเป็นไม่ใช่ธรรมดานะอาจจะตั้งโครงการห้ารอล้านขึ้นมาแล้วก็ได้เมื่อกับคุณอะไรเขาสร้างเจ้าของอโครงการห้างพาต้านี่ยก็ลงทุนมาตั้งแต่หาเงิน ได้ได้เดือนละ800ร้อยบาทจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการ500รอล้านนะก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรในภายในขณะนี้ก็ยังไม่แก่อะไรแต่ก็อ่อนอายุอ่อนก็อาตมาเนี่ยอาตมาแก่กว่าเขาทำไมจะทําไม่ได้มันก็จะได้ก็ได้แต่ว่าเราไม่ได้ทำเท่านั้นนะก็เถอะนายรักรักพงจะมีแมธรรมาหะกินทั้งโลกสามารถที่จะทํางานอยู่กับโลกมีโครงการหลักทรัพย์หลักทุนลงทุนกันทีละห0าล้าน อาจจะแข่งแขงกับแขกชื่อสุระก็ได้นะซึ่งปูมมีชายาบอว่าซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าแขกสุระตอนนี้ก็กําลังจะซื้ อ, อรามาทาวเวอร์นอกจากจ ะ, จะซื้อไอ้รามาอะไรรามาการเดนนีที่เขาซื้อไปแล้วอ่ะโรงแรมนั่นเจ็รอล้านและนี่ก็กําลังจะจีจะซื้อรามาทาวเวอร์อีกกี่ร้อยล้านก็ไม่รู้แม่เขาเลยตั้งกอสกเกตแล้วแขกคนนี้ไปเอาสตังมาจากไหนกันโว้ย แกซื้อจริงๆโอ้โหซื้อแต่ละอย่างนี่มันไม่รู้กี่ร้อยล้านจนได้รับฉายาวซื้อทุกอย่างที่ขวางหน้าก็อาจจะเป็นได้นะอาตมาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ว่าอาตมาไม่ได้แรกอาตมาไม่สงสัยเราไม่พร่ำภูมิเขาจะมายั่วยุอะไรก็ไม่เอาไม่ไปไปไม่ไปบ้าจี้อะไรหรอกแต่สมมุติได้ฟังอ่ะสมมติว่าอาตมาจะเป็นนายรักรับพงขนาดนี้มีโครงการพันล้านแล้วก็ได้ สามารถจะทํางานอยู่ในสังคมขนาดนี้มีโครงการพันล้านในสบายๆก็ตามอัตมาจะไม่ภาคภูมิใจถ้ามาเป็นพระโพธิรักษ์จึงบ่จี้เลยนี่เลยบาทนึงก็ไม่มีเนี่ยจริงๆภาคภูมิใจยิ่งกว่าเพราะอัตมาเห็นอยู่หลั่นๆเลยว่าอัตมาช่วยคุณหนี่ยงกงเงินเงินถูกโลกเขาหลอกงมงายแล้วก็มาเออฟื้นตัวขึ้นมาแม้จะมียังไม่มั่นคงเที่ยงแท้นักก็เอาเถอะขนาดนี้ก็เห็นชัวแวบชววาดอยู่แล้วทันตาเห็น ก่อนอาตมาจะตายอาตมาก็เห็นอยู่หลัดหลัดนี่บางคนก็5ปี10ปีผ่านมาก็เออยังมั่นคงบางคนก็กําลังสูงขึ้นมาอีกเอาไปนับเวลาต่อไอีกเมือ่ออาตมาทํางานมากกว่าสิปีนี้ไปก็จะดูความมั่นคงของคุณเออคุณก็ได้ไม่ได้ไปถูกหลอกทั้งโลกเขาอีกแล้วอ่าแม่เป็นสาวเป็นแซ่นี่มันน่าอัศจรรย์ น, นะสาวสาวแซ่แซ่น่ยมาทิ้งโลกียะไอ้ลูบรถอะไรสวยๆงามๆหอมๆหวาน อุ้ยไวยังกําดัดไวยังจะต้องไปเนี่ยหอมหอ ม, มหวานหวนอเ็กอร่อยงามงามกามคุณแต่ก็สามารถที่จะต้านโต้ย้อนแย้งต่อโลกที่อุดมไปได้เองของมอมเมาพวกนี้จัดจ้านยังอะไรดีแล้วก็ฝากกองเออกามคุณฝากองอะไรตัวไหนั้นมาได้ทั้งหนุ่มทั้งสาวมาได้ขนาดนี้อัตมาเห็นอยู่หลัดหลัดเนี่ย จะมั่นคงเที่ยงแท้ขนาดไหนอาตมาก็เห็นอยู่ขนาดนี้ก็ยังมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากกว่าที่แน่นอนแล้วบางคนมันมีความอดทนเท่านั้นบารมีเท่านั้นก็ตกหล่นไปบ้างแต่อาตมาก็ช่วยนะไม่ใช่ไปช่วยแต่เขาช่วยตัวเขาเองได้เท่านั้นและอาตมาก็ช่วยได้สุดแรงเท่านั้นดัชมากเก่งเท่านั้นก็ได้เท่านั้นบางคนก็ได้เท่านั้นไปบางคนก็สู้ทนสู้ฝืนบางคนก็ได้ดีสบายรอยลาก็รอยลาแล้วก็จะเป็นผู้สืบสารจะเป็นผู้สืบต่อ เจตนารมนี้สัจจะนี้ต่อไปอีกแนออ่นอนคุอาตมาหวังแน่นอนไม่ใช่หวังหรอกมันเป็นความแน่นอนไม่ใช่ความหวังเลยมันเป็นความแน่นอนที่มีแน่แเป็นไปแน่ๆเพราะอะไรเพราะอาตมามั่นใจในสัจจะที่อาตมามีอาตมามีสัจจะที่ทบอกว่าอาตมาเลิอกอบายมุขมันจริงและอาตมาก็เห็นด้วยปัญญามันดีมันจริงอาตมาเลิกกามมันดีมันจริง อาตมาสบายอาตมามีเวลามีโอกาสอาตมามาสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณค่ามากกว่าเอาเวลาไปนั่งจีบแต่ก่อนอาตมามีแฟนอเดี๋ยวต้องไปรับเดี๋ยวต้องไปส่งเดี๋ยวต้องนั่นตรงนี้แต่ก่อนมันไม่คิดอย่างนี้นะแหมสุขใจแฟนโทรมาหาให้เป็นรับมันงองอย่างนั้นนะใครยังโงองอยู่ก็ตามใจเดี๋ยวนี้ก็ยังมีผู้ก็โดนใครก็โดนคนนั้นนะก็มันก็ไปรับกันแล้วก็ไปโอ้มันเป็นสุขมันอะไรแต่ไรต่างๆนานา เดี๋ยวนี้หไม่ต้องไปเสียเวลาเลยเป็นรับไปส่งกันทําไมก็คุณก็มีขาคุณก็ไปของคุณดิคุณก็ทําอะไรดีคุก็ทําสิถ้าจะช่วยงานบอกเออให้ไปช่วยงานหน่อยไปถ้าเป็นรับไปเยอะแยะทำไมไปรับทําไมแต่ก่อนนี้เป็นรับแม่ไปรับเขาว่างก็ไป อ, อย่างงาอย่างเงี้ยออเสาะก็อยู่เงั้ยนะไม่เข้าเรื่องเลยนะเลิกกันทีสิแบบนี้ต่างคนต่างช่วยกันไม่ใช่แต่ต่างคนต่างออเสาะนะเพราะจะมีแรงนี่มาเป็นแรงงานที่ดี จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ทํางานไอเรื่องกามหรือเรื่องอะไรจะแบบไอหลอกหลอกไปรับกันไปหนุ่งนิงไปอะไรเสียเวลายิ่งกว่าจะเป็นแฟนก็ได้ต้องคอยเที่ยวไล่เที่ยวคือจีบกันอุ้ยงานกายก็ต้องคอยพักคอยทิ้งต้องคอยเสียเวลาคอยนู่นนี่ตรงอย่า ง, งงานี้กลัวจะไม่จีบไม่สำเร็จอย่างงานี้โอโหอัตมามองเห็นแล้วมันโ ง, ง่จริงๆเนาะเราเนี่ยแล้วเราก็มองเห็นคนอื่นก็โง่เหมือนอย่างเราในอีกมากเหลือเกิน ถ้าเราเก็บกวาดเอาเวลาเหล่านี้คืนมาเท่งนั้นเศรษฐกิจก็จะรุ่งเรืองบ้านเมืองก็จะเจริญงอกงามอีกตั้งเท่าไหร่มันไม่จําเป็นแล้วด้วยซ้ำถ้ายิ่งลึกไปกว่านั้นเราไม่ต้องแล้วเรื่องขู่พัวตัวเมียนี่พลโลกมันจะล้นโลกอยู่แล้วไม่ต้องไปหลงหรอกไอ้รถอย่างนี้เลิกได้ดีอาตมาทุกว่ามันเลิกได้เนี่ยมันมีเศษมันมีเศษมันดีมั่นใจในความจริงที่อาตมามีคนดูมาพิสูจน์ที่นี่อาตมาไว้นี่ยเป็นสัจจะ คนอื่นต้องพิสูจน์ได้เมื่อคุณก็ได้เช่นอาตมาอันนี้จะเป็นสัจจะที่จะต่อทอดไปแล้วทันสมัยด้วยอาตมาจะบอกให้ทันสมัยเจี๊ยบเลยเพราะทุกวันนี้มันเฟอ้อซะจนเกินเฟ้อแล้วเราไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เข้ามามอมเมาหรือว่ามาปลโลมให้แก่โลกเราต้องการลดไม่ใช่ต้องการปลโลมประโคมนี่มันประโคมกันทึงขนาดหนักเราต้องการแนวโน้มถ่วงด้านนี้ด้านที่จะต้องเลิกอันนี้ไม่ใช่ไปประโคมมันโน้น นี่เราได้มาอาตมาภาคภูมิเราได้มาได้ขนาดนี้อาตมาภาคภูมิยิ่งกว่าอาตมาถ้าจะเป็นนายรักรักพงม์มีเป็นเจ้าสัวขนาดมีโครงการพันล้านดังกล่าวแล้วอาตมาภูมิจะยิ่งกว่าจริงๆไม่ใช่พูดเล่นขอยืนยันใครจะมาสมมุติสวมรอยอาตมาก็ไปเป็นเลยนี่ไปเป็นอ้าวไปไปไ ป, ไปเป็นคารวัตให้มีเครดิตเลยนี่มี สร้างโครงการพันล้านในทันทีของคุณจริงๆเลยให้สิทธิมาเลยตัดหัวโคแห้งก็ไม่เอาไม่เอาจริงๆหัวเด็ดตีนด้วนก็ไม่เอาหรือให้รอเก่าๆก็ไม่เอาเดี๋ยวหัวเด็ดตีนด้วนก็ไม่เอาทีน่อยให้โครงการพันล้านเลยยังให้หัวอาตมาเด็ดตีนด้วนก็อาตมาก็ไม่เอาให้รอเก่าๆก็ไม่เอาให้แข็งแรงเก่าๆอีกก็ไม่เอาไม่เอาก็ไปสอบทานดูตามประวัติศาสตร์ดูพระพุทธเจ้าดูพระมหาสาวกต่างๆท่านก็เป็น ภาษาดีบุตรก็เป็นเศรษฐีพระโมกคลาก็เป็นลูกเศรษฐีนะแล้วก็เบื่อนายมาถ้ามีภาวะภาวะปัจจัยน่ะหนุ่มๆแน่นแท้ๆนะเออไปดูละเมงละครก็เบื่อเอ๊ะคนเบื่อละเมงละครนี่มันคนประหลาดนะอยู่ดีๆมันจะเบื่อละเมงละครเริ่มมนุษย์นะขนาดบอกแทบเป็นแทบตายมงติดอยู่เลยเบื่อมาแล้วก็แสวงหาอะไรมาที่มันเป็นบารมีของท่านสั่งสมนมาเป็นคนเราไม่รูกี่ชาติ เพราะก็ท่านอัครสาวกนี่มันจะบรรลุ ก, กี่ชาติแล้วมันจะต้องสังสมมากี่ชาติกว่ า, าจะตั้งจิตอธิษฐานจะขอเป็นพระมหาสาวกเป็นอัครสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งคุณไปอ่านสิประวัติอ่านตำนานดูสิอ่านความรู้ดีสต้องตั้ ง, งจิตตั้งใจไม่รู้กันกี่ชาติแล้วก็ต้องไม่ใช่ตั้งใจเฉยๆนะต้องบำเพ็ญด้วยนะถ้าบำเพ็ญไม่ได้สภาวะ ต, ตรงแล้วคุณก็ตั้งใจเปล่ามันจะไปได้อะไรมันต้องทําจริงๆดีวกว่าจะได้เพราะฉะนั้น ภาษาดีบุตรก็ตามพระโมกข์ก็ลากรตามกว่าจะได้มาเป็นเนี่ยม่นต้องเท่าไหร่ก็เป็นลูกเศรษฐีก็ละออกมาเลิกออกมาก็ไม่ได้แย่แสก็ตรงนะโธ่เราเศรษฐีจะเท่าภาษาดีบุตรรึเราจะเศรษฐีตท่าภาษาดีบุตรอะไรอาตมาเองอาตมาห้กินงอกตัวเองเลี้ยงน้องเลี้ยงหนุ่งโธ่งอกก็แย่แล้วะเศรษฐีเสรษฐ์อะไรเศรษฐีสระเอสอเสอสลาสบเลย เศษอย่างนั้นเลยไม่ใช่เศษทีแทนแล้วก็ละเลิอกออกมาแค่นี้ก็ดีแล้วสงสัยอะไรแต่เหมือนกันนะแม้จะได้มากอยู่อาตมาเห็นทางอาตมาจะได้นะจะร่ำรวยมีลาบมีเงินมีทองมีอะไรอยู่เหมือนกันแต่แใจเราเอะมันเห็นจริงนะใจเรามันจริงไม่เอาใจไม่เอาไม่ไม่ไม่ไม่ไมอยากได้เห็นอยู่ลันเลยคนอื่นเสียดายแทน ก็เสียดายที่คุณยังหลงอยู่อัตมาไม่เสียดายแล้วจริงๆมันก็สอดคล้องกับพระพุทธเจ้าสอดคล้องกับพระมหาสาวกไม่ต้องยกตัวอย่างพระมหาสาวกรูปอื่นๆอีกก็นัยยะเหมือนกันแล้วก็นี่แหละก็ทบทวนตามประวัติศาสตร์ตามตำนานตามหลักฐานคุณจะเชื่อจริงหรือไม่จริงคุณก็ศึกษาเข้าแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมาปลอมไม่ได้หรอก เรื่องยิ่งเรื่องชีวิตเรื่องเรื่องตำนานเรื่องอะไรนี่มันสอดคล้องเขาบอกว่าประวัติพุทธจศจสนานี่ยเขาเขียนเล่นการไม่มีตัวจริงหลอกงบนโถคุณไม่รู้อะไรและยิ่งไม่รู้สิ่งที่เป็นอ จ, จินไต่ว่าไอชาติต่อชาดไอ บ, บัมเพนบา ร, รมีบุคเพนิวาสานุสติญาณอะไรนี่นะซึ่งอาตมาก็พูดไม่ได้พูดไม่ได้ยิ่งชาตินี้พูดไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะไปพูดกับใครแล้วมันไม่รู้จริงแล้วพูดกับคนไม่รู้จริงมันก็พูดมันก็โกหกมันไม่เข้าเรื่องเลยนี่เป็นนิยายฟังแล้วก็เป็นนิยาย อาตมาพยายามเลี่ยงเลยไม่พูดแต่อาตมารู้แสนรู้อยู่ในนี้แลาวเออมันมีจริงนะเนี่ยนานานับชาติอย่างนั้นอย่างนี้ต้องบําเพ็ญต้องมีอะไรอะไรอาตมาก็รู้ของอาตมาเท่าที่อาตมามันเป็นมันมีมันจริงจริงเออไอสัจจะอย่างนี้เราพูดกับเขาก็ไม่ได้สัจจะของจริงเป็นจริงแล้วคนอื่นก็ไม่เคยรู้เพราะเราก็ไม่เอาเราไอพูดไม่ได้เราก็ไม่เอามาพิสูจน์เราก็เอาสิ่งที่พิสูจน์ได้เนี่ยมาพิสูจน์เห็นหลักๆเนี่ยเท่านี้ก็ไม่เป็นหลักฐานเพียงพอหรือ ในท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยลาบยศสันเสริญโล ก, กียสุกอันจัดจ้านท่ามกลางการมมาคุณห้าอันจัดจ้านท่ามกลางการถือตนถือตัวอันจัดจ้านแม้อบายยมุกกจัดจ้านเหลือเกินคุณยังหลุดพ้นออกมาได้แม้จะชั่วระยะที่เอาละอาตมาได้พิสูจน์บางคนปีหนึ่งสองปีหปีบางคน8ปปีบางคนสิบปีก็ตาม ได้แค่นี้ก็ได้เป็นหลักฐานพิสูจน์แล้วอัตมาก็จะขอพิสูจน์จนอัตมาตายแหละจะขอพิสูจน์อัตมาก็ยังมั่นใจในความจริงที่อัตมาเป็นอัตมามีนี้อัตมาไม่ได้หลอกคุณแม้แต่เท่าทุลีผงอัตมาพูดสัจจะอัตมายืนยันสัจจะที่อัตมายืนยันสัจจะแล้วพูดว่าอัตมาตัดเอ่ออตมาได้บรรลุธรรมอัตมารู้อัตมามีธรรมะอัตมาบรรลุธรรม เพราะโลกนี้มันไม่มีใครหานกล้ายืนยันว่าบรรลุธรรมมันอายอะไรที่ยืนยันว่าว่าเก่งแชมเปี้ยนไพ่ไว้ยังกล้าโชว์ปุถุโถไปเก่งอะไ ย, ยมุกยังมากล้าอวดตัวแล้วเราเก่งปฏิบัติทำได้แล้วไม่อวดตัวเอ๊ะเรื่องอะไรมั น, ม, นมันจะมากไปแล้วยามยันกันมากไปแล้วเรามาห้ามอยซ้อนเชิงซ้อนเนี่ยอวด ตัวนะมันเป็นความไม่ดีอันนี้เป็นเล่เชิงเป็นเล่เชิงของพวกรู้มากกลบเกลื่อนจนกระทั่งเชื่อเขาเอ๋มาเจออาตมาเข้าเล่นลวงอาตมาไม่ได้อาตมาขอยืนยันอาตมามั่นใจในสัจจะในความจริงอาตมาจะประกาศสัจจะอาตมาท้าทายให้มาพิสูจน์ว่าอาตมาบรรลุธรรมถ้าอาตมาผิดเมื่อไหร่อาตมาประราชิกอาตมาหลอกคุณอาตมาไม่มีจริงไม่เป็นจริงอาตมาหลอกคุณอาตมาประราชิก คุณถล่มเลยตอนไหนก็แน่นอนต้องถล่มแหละก็อาตมามันเลวเหลือเกินนี่มันมาโกหกหลอกลวงแล้วอุตริมนุษย์ทำมาโมไม่เป็นจริงและมันถูกมานหลอกลอ่อถูกมานถล่มหลอกลวงจนกระทั่งไม่มีใครยืนหยัดแล้วศัจธรรมก็ไม่มีจริงแล้วอยู่ที่ไหนไหนใครว่าจริงแล้วบรรจิดปฏิบัติได้หรือไหนคนจริงทําได้เป็นยังไงอยู่ที่ไหนมันไม่มีศรัทธามันไม่เชื่อมัน่นมันก็ เออเราก็ไปอย่างโลกๆกันแล้วกันโถชีวิตหนึ่งแล้วก็ไอ้จริงก็ไม่เห็นใครได้เป็นตัวอย่างมันล้มเหลวหมดเลยมันก็ไม่ไหวที่าศาสนาก็ละลายกันพอดีพระอาตมาปล่อยไม่ได้อาตมาพูดอย่างนี้เขาก็หาว่าอวดไม่อวดได้ยังไงของดีไม่อวดปล่อยให้แต่ของชั่วอวดอยู่ตลอดเวลาไว้เหรอพราะอาตมาจะอวดแต่ก็ขอปรามพวกเราว่าพวกคุณเองระวัง จะอวดอย่างอาตมาทําไม่ได้นะไม่ใช่ว่าอาตมาสงวนลิขิตนะอาตมาอารักษ์บอาตมาไปแล้วจะรู้อาตมาเป็นใครอาตมาก็ไม่รู้จะพูดไงอาตมาพูดมานานแล้วอยู่อาตมาศึกษาอาตมาปฏิบัติอาตมาไปแล้วอาจจะรู้อาตมาคือใครมาทํางานศาสนานี้ขนาดไหนอย่างไรอาตมาพูดแล้วมันจะอวดตัวขนาดนี้มันก็เป็นเชิงอวดตัวไปหน่อยหน่อยอยู่แล้วถึงอาตมาว่าอาตมาถ่อมตัวที่พูดว่าอาตมาคือใคร เพราะนั้นคบหาไปแล้วจะรู้ว่าอาตมามาทํางานอะไรคือใครที่แท้เอาสาระถาแล้วไปเรื่อยๆแล้วคุณจะพิสูจน์อาตมานี่แหละคืออาตมาไม่อวดตัวแต่โถขี่มูลาขี่หมาแห้งอุตรีมนุสธรรมตนตนๆไม่นมหาตาไมาอวดเลยจะปิดปากอาตมาเงียบเลยไม่ได้กินสลักจะเลยมาปิดปากหมดเลยอาตมาไม่อวดยอดเพชรที่อาตมาอ้าวสมมุติว่าอาตมาเป็นเจ้าของยอดเพชรรอยกรลัดอาตมาไม่เอา เพชรร้อกะลัดมาอวดคุณนะถูกแล้วอตาตมาไม่ได้อวดโอแต่อาตมามีกว่าจะมีเพชรร้อยกะลัดอาตมาก็ต้องมีเพชรหนึ่งกะลัดสองกะลัดหกะลัดอีกอาตมาเขค่อ ย, อ ย, อยเอาเพชรหนึ่งกะลัดหกะลัดสองกะลัดอะไรมาอวดโลกนี่มันไม่มีเพชรสักกะลัดเลยหาอาตมาอวดดวดดวดปดโถอาตมาถมไปตั้งเยอะอาตมาไม่ได้ยังไม่ได้เอาเพชรร้อยกะลัดมาอวดสั ก, กนหน่อยนึงแต่ว่า อาตมาก็พูดพูดไปบ้างแล้วนะเนี่ยอาตมาเหมือนเหมือนอวดเพชรพลอยกรลัดเหมือนแต่นี่มันเป็นโวหารเป็นสมุติจะจริงหรือไม่จริงคุณดูอาตมาไม่ได้อวดนะอาตมาใช้โวหารเพราะคุณฟังโหหารก็ใครมีปฏิภาณก็จะรู้ว่าอาตมาอวดแล้วล่ะตอนนี้แต่ว่าอาตมาไม่ได้อวดจงครึ่มเป๋งออกไปเลยว่าคือใครทําอะไรเชไหนอย่างนั้นอาตมาพูดในคํากลางว่าโพธิสัตว์ในฐานะของเทราว่าเนี่เข้าใจโพธิสัตว์ไม่เพียงพออาตมาก็ฉวยโอกาสนี้พูดแล้วก็เอาโพธิสัตว์มาอวดตัว ทีนี้บางคนเข้าใจบริษัตวลึกซึ้งก็หาว่อดตัวทีนี้เข้าใจบริษัตวลึกซึ้งมากขึ้นแล้วนี่ตอนนี้อาตมาขยายความบริษัตวว่ามีคุณค่าแค่ไหนถ้าเข้าใจลึกซึ้งโอ้โหมันยกตัวยกตนไม่ชเชลี่ยยังยังยังไม่ยกเต็มที่ยังไม่เต็มที่หรอกอยังยังไม่ได้ยกเต็มที่ค่อยๆไปเรื่อยๆแต่ก็ค่อยๆ ย, ยกแหละ ไม่ใช่ยกร Boo, อแตมาเปิดเผยความจริงตามความเป็นจริงทึ่อาตมามีหลักฐานว่านี่มันเป็นยถาภูตังอัตตานังอวิกระตามันเป็นการเปิดเผยตัวเองโดยตัวเองและเปิดเผยความจริงตามความเป็นจริงยถาภูตยานทัศนะยถาภูตังเป็นความจริงตามความเป็นจริง เ, เขาก็เปิดเผยไปนะเพราะคุณติดตามและพิสูจน์อาตมาก็กลับมาที่ความจริงที่อาตมามีอาตมามั่นใจว่ามันละได้ล้างได้ มาตดมก็เอาแต่ต้นตืนต้นตืนตนต่นมาพิสูจน์อัตมาว่าอาตมานี่เป็นผู้ที่สอนเบื้องต้นทำกลางมันปลายมาเลยอาตมาไม่อยากอวดใจอาตมาสอนมาตั้งแต่ง่ายๆเอาเลิอกอบายมุกนะเลิกไอ้นี่กินเหล้ากินยากินฝิ่นกินกัญชาอะไรนี่อาตม า, าอาตมาเผยแผ่ยืนยันอันนี้มาตั้งแต่เริ่มเริ่ ม, มาผู้วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์จนตั้งเมตรกรรมหยาบหยาบก็เป็นอาบายมุกอาตมาก็วิเคราะห์กามหยับหยาบเขาก็หาว่าพระองค์นี้อะไรวะ วดตัวเป็นพระโพธิสัตว์พูดแต่หยาบๆคลายๆกำกามเกิ่มๆทำไมไม่ไมาพูดอภิธรรมวะอัตมาก็ไม่แคร์เลยบอกว่าอัตมาเข้าใจพวกนั้นอยากจะพูดแต่ธรรมะสูงๆกโก้ยอดยอดนิพพานปรินิพานมหากุศลจิตปรามาตัตย์จงโงนอย่างงี้แต่เปล่าเลยไม่ได้ปฏิบัติอะไรออกละลดอะไร<ม>เขาอยากจะโชว์แต่ความรู้ที่สูงๆเพราะเขามี ตัวมานะตัวถือดีอยากจะพูดดีถ้าอาตมาไปแสดงแต่ภูมิต่าๆเขาเก็หาวอาตมาเป็นครูชั้นปฐมครูตา่ตาๆไม่เป็นร้ายอาตมาไม่กลัวความจริงอาตมาเป็นครูชั้นสูงหรือครูชั้นต่ําอาตมายอมรู้แต่ตอนนี้อาตมาจะต้องสอนอันนี้ก่อนอาตมาก็สอนต่ํา ม, มาก่อนก็หาว่าอาตมาพูดอะไรก็ไม่รู้พระอะไรเนะี่ยพูดแต่หยาบๆก็เรื่องยาวนะคุณลดใดอย่างะละใดอย่า ง, ไ, างไปเลยไปเลย นั่นนะบุรีเนี่ยเลิกได้ยังไปเลยเลิกพีทีนั่นแหะไม่อะไรกันอไม่เกี่ยวกับธรรมะปรมัภิสำเร็จอะไรบุรีเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆมันเยอะนะมันมากในเหตุด้วยปัจจัยด้วยเหตุด้วยผลต่างๆอัตมายังทํางานมาได้ขนาดนี้อัตมาก็ภูมิใจพอใจแล้วแวดท่ามกลางทุกอย่างมันผันผวนเพี้ยนศาสนาก็เพี้ยนเข้าใจกันไม่ได้แม้แต่ประเด็นที่อัตมาจับมาวันนี้ว่า การปฏิบัติธรรมนี่อย่าเข้าใจว่าเรามาทำตัวสบายๆนะเรามาตั้งสัจธรรมะจาคะขันตินะนี่เป็นมรรคผลของอันนี้ก็จะได้สัจธรรมะทิฏฐิจาคะนี่เป็นผลส่วนตัวมาก ค, คือสัจธรรมะจาคะขันตินี่เป็นมรรค เมื่อเวลาเรามาปฏิบัติทำอยู่นี่เราจะต้องปฏิบัติอยู่ในตัวมรรคคนทุกวันนี้ชอบพูดแต่ผลแล้วก็เอาผลมาหลงว่าเป็นสิ่งเสวย อ, อันนี้เป็นจุดบอขดขณะนี้เยอะเลยผู้บรรยายธรรมะเก่งๆโก้ๆเยอะหวานสูงแต่ไม่ได้ความไม่มีทางปฏิบัติไม่มีผลขัดเกลาระก็ไม่ก้าวหน้าในทางทำ อาตมาพูดไปนี่มันอวดตัวยิ่งใหญ่คมอะไรต่อะไรขึ้นไปมากๆขึ้นคุณรับรู้ไว้เรื่อยๆและคุณจะได้ยินคนอื่นเขาว่าอ้อวดใหญ่อวดตัวเป็นศาสดาใหญ่เบ่งคมคนอื่นเหมือนคนอื่นเขาไม่รู้อคนอื่นเขาไม่รู้ทั้งนั้นตัวรู้อยู่คนเดียวตัวถูกคนเดียวอาธอนะมันอาจจะจริงนะอาตมาอาจจะถูกคนเดียวก็ได้อ อันนี้ก็ค่อยดูไปว่ามันอาจจะเป็นคนเดียวก็ได้อาตมาก็ได้เพอ้อพลังปากบอกไปแล้วแหละอในวันวิสาขบูชานั้นอาตมาก็พลังปากอะไรไปหนึ่งใครใคจับคํำจับความได้จะรู้แม้อาตมามาโพธิสัตว์คนองค์เดียวนะมันโดดเดียวแล้วเกินว่าเวจนถึงขั้นขนาดนั้น น, น, นะอะไรก็แล้วแต่มันมีมันเหมือนสักไกลสักเกีดีปฏิพันธดีๆจะรู้แล้วว่าอาตมา มันทีว่าจะไม่พูดมันก็พลออกไปเป็นภาษาเ น, นี่ยอาตมานแนะนำฟังคนมีปฏิภาณฟังก็จะรู้แลสืบความไม่ได้แล้ <S <S เฮ<ห>้ยเรื่องนี้มันก็ต้องมีอะไรสิ่งหนึ่งสิถ้ารู้ได้ยังไงว่าท่านมีปเป็นโพธิสัตว์มาองค์เดียวว่อะไร ม, มันก็ต้องรู้มันป็อาจินไตนะคนมีคนมีปฏิภาณก็ฟังฟั ง, ฟ ง, ฟงไปนี้แ น, นะให้ค้าก็ชี้โพรงให้กระลอกแล้วอย่าไปคิดมากเกินไปอะเดี๋ยวจะมากเกินความก็แนะเชิงให้ฟังผู้มีปฏิภาณจะรู้ในนิยี่สืบร้อย ต่อทอดในไตรยะอะไรจะอะไรขึ้นไปลึกซึ้งขึ้นไปเองนะข้อสําคัญเนี่ยเราจะรู้เองถ้าเราได้ปฏิปัติละลดกิเลสจริงและปัญญาปฏิภาณของเราจะลึกซึ้งเองลึกซึ้งเองเพราะจิตเรสะอาดเหมือนกับแก้วมันขุนมัวด้วยกิเลสด้วยอะไรมาทําให้หมองเมื่อเราเอาสิ่งที่เป็นกิเลสที่มันทําให้หมองนั้นออกออก อ, อ, ก อ, อกแก้ก็ใสขึ้นใสขึ้นใสขึ้น น, นั่นแหละดวงปัญญาคุณก็สว่างขึ้นสว่างขึ้น ไม่ต้องไปทําอะไรมันหรอกไม่ต้องไปนั่งขบนั่งคิดอะไรมันมากเกินการแต่ก็มีวิจัยวิจารณ์ด้วยพอสมควรไม่ต้องไปคิดจนหัวผุหัวพังอะไรมากมายหรอกวิจัยวิจารณ์บ้างเห็นเหตุเห็นปัจจัยเห็นเหตุเห็นผลอะไรพอสมควรแล้วคุณก็ทําพิสูจน์ไปนั่นแหละคุณได้ล้างกิเลสออกและปัญญาที่มาที่เป็นปัญญาแท้นั่นไม่ใช่ปัญญาตักกะไม่ใช่ปัญญาวิตรวิจารณ์ไม่ใช่ปัญญานึกคิดไม่ใช่ปัญญาแต่แค่ผกผันเท่านั้นนี่เกิดมา มันคุณเองสังเกตตัวเองว่าเออเราเองเราล่างลักกียรติออกมานี่เราฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นนะฉลาดโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งแม้ต้องเล่นมากลุกมากๆจะได้ใช้หัวสมองต้องเล่นไพ่ดัมมี่โอ้โหยต้องเล่นบิดใช้สมองขอบคิดเยอะๆมันสมองจะได้ซักซ้อมจะได้ฉลาดไม่ต้องไปใช้วิธีนั้นเลยแล้วคุณจะฉลาดในตัวของคุณเองนี่ยเป็นความฉลาดที่เข้าหาสัจจะด้วยไม่ต้องไปเอาวิธีเชโกต้องหัดโกงยังไงใช้เล่ห์เหลี่ยมยังไง ต้องบิดนี่ต้องดัมมี่อย่างนี้ต้องเล่นมากรุกต้องทําังไงจะได้กินสามต่อยังไงจะล็อกเขาได้ไม่ต้องเลยนะมาในโลกเขาก็ทําอย่างหนึ่งในธรรมะก็พาทำไปอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณจะได้ปัญญาอย่างทางธรรมนี่ก็พาทำอย่างนี้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ขบคิดเราจะไม่วิจัยวิจารณเรามีธรรมวิจัยอย่างยิ่งตามธรรมที่เราปฏิบัติให้แก่ตัวที่เหมาะสมตัวเราก็ไม่ต้องไปมากเกินการคุณจะได้มรดกได้ผลใส่ตัวเองนะ อะไรสำหรับวันนี้อาตมาก็ได้เทศนามาพอสมควรแล้วมีปัญหาตามมานิดหนึ่งว่าอยากจะให้ผู้ตายได้รับส่วนบุญส่วนกุศลจึงได้นําเอาของของผู้ตายบางสิ่งบางอย่างที่พอเป็นประโยชน์ไปทําบุญทําทานเสียอยากจะเรียนถามท่านว่าผู้ตายจะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้นๆไหม ไม่ได้รับทั้งสองอย่างที่ว่าสองอย่างก็คือหนึ่งไม่ได้รับทั้งอย่างที่เป็นวัตถุที่บอกว่าของนี้เป็นของผู้ตายแล้วก็เลยเอาไปทําบุญไปให้คนอื่นอ่ะก็คนอื่นคนนั้นเขาได้รับของไอ้ผู้ตายมันจะได้รับยังไงใช้จนขาดมันก็ขาดไปนี่บอกว่าคนตายได้รับได้รับยังไงก็เห็นอยู่หลักๆนี่นเขานั้วัตถุก็ใครให้คนไหนคนนั้นเขาก็ใช้หรือเขาจะเอาไป ทิ้งเอาไปเผาก็เลยของเขาอีกนี่ไม่ได้รับแม้แต่ทางวัตถุและไม่ได้รับทั้งส่วนบุญที่เป็นบุญทางนามธรรมเพราะพระพุทธเจา้าท่านสอนเราว่าบาปใครบุญมันกัรมมัสโกมหิกุศลอกุศลกุศลกุศลก็ผู้ใดสร้างกุศลก็เป็นของผู้สร้างผู้ใดทำอกุศลก็เป็นของผู้ทำ ใครทำบาปแล้วก็เป็นบาปของผู้นั้นใครทำบุญก็เป็นบุญแล้วของผู้นั้นไม่ใช่ว่าคนนี้ทำบุญได้ก็แบ่งให้ผู้นี้ผู้นี้ทำบาปแล้วอ้าวก็แบ่งให้ผู้นี้ได้อ้าคุณเอาไปนะบาปของกัตมาไม่เอาแล้วนะเอาไปหมดเลยนะก็หวานนะที่แบ่งบาปได้แบ่งบุญได้ใครสอนพระพุทธเจ้ายืนยันอยู่ว่าบาปบุญแบ่งไม่ได้นี่เป็นนามธรรมวัตถุน่ะมั น, นงแหงอยู่แล้วมันไม่ได้รับอยู่แล้ว ไม่ได้รับทั้งสองอย่างตอบอีกอย่า ง, งแรงๆเลยให้ฟ้าลองไปเลยแหนเทียงแล้วก็เอาพระไตัยปิฎกอะไรมายืนยันแล้วเข้าใจไม่ลึกซึ้งในพระตัปิฎกนั่นก็แปลเข้าข้ามตัวอยู่ทั้งเยอะตั้งแยะอ่ะตัมมาเองอัตมาก็พยายามจะยืนยันอันนี้พิสูจน์มาสิจะต้องเอาแต่พระไตัปิฎกมาพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เชื่อตำราโด้วยซ้ําจะว่าไป เอาเหตุผลสิเอาปัญญามาว่ากันโดยเหตุผลจริงๆพิสูจอยู่หลัดหลนี่คุณฟังดูสิเหตุผลมันเหนือกว่า<ด> ต, ตำราด้วยนะถ้าว่ากันจริงๆแลใช้ปัญญาสิคุณโง่กันนักเหรอกลาอยากจะงโง่ตามเขาก็ไม่เชื่ออาตมาอยู่นั่นเองเลยก็ชื่อก็ว่าไปมันมีมันมีมันมีเหตุผลมันมีความดีบ้างนะทําไปให้ผู้ตายมันก็เป็นการกระทันยุกตเวทีก็เป็นๆนี่กระัญยุกตเวทีกันเข้าไปที่แต่ตายก็ทําสัก เอแบบแบบรุบๆเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆแล้วก็พอแล้วนี่เลยไปให้ถูกหลอกลวงเลยไปเป็นทางแห่งพระหลอกกินเสร็จอีด่างเลย <c oughs> ทุกวันนี้เป็นทางเนี่ยพระหลอกกินอยู่นัะนะอาตมาพูดอย่างนี้พระก็ต้องจะเอาอาตมาตายเพราะไปตัดผลประโยชน์เขาเพราะอาตมาพูดอย่างนี้เขาหากินเขาอยู่กันอย่างนี้มานานแล้วนะถ้าบอกว่าคนไม่ไปทําบุญใกล้ผีผีสังๆาอะไรพวกนี้อีกเขาจะทํำยังไงละเขาไม่มีธรรมะาจะเป็นแลกกินกันนักหนา มีธรรมะจริงๆไปแลกกินได้กี่คนพระทั้งหลายนี่ว่ากันจริงไม่ใช่ดูถูกอ่ะเพราะเขาก็จะแย่แน่นอนเขาก็ฟังอาตมาแล้วเขาก็เรื่อก็คือรือมาดีเขาก็จะสัดอาตมาบ้างอาตมาก็เอาสัดกดสัดอาตมาทําให้อาตมาเบี้ยวสัจจะอาตมาเบี้ยวไม่ได้หรอกอาตมาเบี้ยวไม่ลงอาตมาต้องพูดสัจจะนะนี่ก็ตอบสั้นๆเพราะว่าไม่มีเวลาแล้วไม่ได้รับเนี่ยแต่จะทาทานคุณก็ได้บุญแล้วคุณเอาของบุญตายมาให้ ใครเขาใช้ถ้าเขารับยินดีรับอยู่เขาก็ใช้ก็ได้บุญแล้วนี่เขาก็ ไ, ไปให้ทานวัตถุแกเขาใช้ก็เป็นบุญแล้วดีแล้วเป็นตัวอย่างแกคนเห็นเขาทาทานนี่ก็ดีแล้วบุญแล้วเป็นบุญของคุณไม่ใช่บุญของผู้ตายผู้ตายมีบาสเท่าไหร่บุญเท่าไหร่เท่าทุนตายแล้วไปทําให้บุญและบาสเพิ่มขึ้นอีกไม่ได้คนตายแล้วไปทําให้บิน ญ, ญาณผู้นั้นได้บาปได้บุญเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำเองก็คานแย่งคําสอนพระเจ้าว่ากรรมสกมิหิกรรมทายาโท ผู้นั้นรับทายาทของกรรมที่ตัวทําบาปเท่าไรบุญเท่าไหรที่ตัวทำเป็นทายาทรับบาปรับบุญของตัวทําไม่ใช่ว่าจับยัดจับเย็ดไปให้ถ้าแบ่งไปให้แล้วเป็นลทัทธิในทุนคนรวยก็ต้องกอบโกยหาเงินเพราะว่าใครตายก็ทีนี้ก็ทําส่งไปพ่อตายแม่ตายลูกตายก็ทําส่งเลยผู้มีเงินเท่านั้นถึงจะมีบุญส่งไปให้ผู้ตายได้มากๆแบบนี้เลยกลายเป็นลทัทธิในทุนทุกคนต้องห า, หาเงินลมาก ได้เป็นรัที่นายทุนเลยไม่ได้นี้ศาสนาพังหมดซึ่งไปสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่นานพาเป็นนะอะลอะก็ขอพอ